ตอนบญญรรยายทมเรื่องในวันมาคาบูชาวันที่21 12, กุมภาพันสองพัราบก้ราบนมัสการพระคุณเจ้าสัมมเนนคุณแ ม, ม่ชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะปกติทุกคืนวันอาทิตย์ก็บังเอิญพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราเป็นวันมาคาบูชา พกก่อคูจะรวมยอดคืนนี้พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องพูด <c oughs> พรุ่งนี้เช้าเรามีการทำบุญตักบาตรนะเวลาหกโมงครึ่งในฐานพระใหญ่ก็พระคุณเจ้าสามเณรคุณพิชีของมาปินตบาทนะเป็นวันที่เป็นสำคัญเช้าปุ๊บเราก็ทำบุญก่อนแล้วก็ตอนเย็นเราก็เวียนเทียนกัน ก็อะไรที่เกี่ยวกับวิชาการพราครูไม่จํานะที่นี่ปีหนึ่งเราเวียนเทียนรู้สึกวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาลหบูชาแล้วออกพรรษาใช่ไหมนะสี่ครั้งเนาะก็ทุกคนก็รู้วันมาฆบูชาเนี่ย ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ยังไม่รู้เนาะทุกๆปีพะกูต้องย้าเตือนเพราะสาคัญมากโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะมนุษย์เราเกิดความขัดแยง้งไอ้เรื่องคนที่อยู่ทางโลกขัดแย้งเป็นเรื่องปกติเพราะเราถูกเกมแข่งขันเสรีเนี่ยถูกเขาฉีดยาเชื้อเข้าไปนะในสมองมีแต่เรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบ แต่ตอนนี้มันลามเข้าไปถึงคนในศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้นะก็เห็นชัดๆเนาะทุกศาสนาเลยนะแบ่งเป็นหลายลัทธินิกายจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดมันเป็นเรื่องของจริตที่ไม่เหมือนกันนะมาถึงเป้าหมายเหมือนกันหละหลักการเหมือนกันเป็นแต่ว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยอาจจะไม่ทุกคนก็ตั้งลัทธินิกายของตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะคริส อิสลามหรือพุทธเราเองนะก็ก็ไม่เป็นไรแต่เนื่องจากว่าไม่ระวังตัวไอเชื้อไวรัสที่เขาฉีดออกมาทั้งโลกเรื่องแข่งขันเสรีเนี่ยมันเข้าไปในสายเลือดเราหมดก็ขัดแย้งกันกลายเป็นศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องสอนเรื่องจิตวิญญาณทุกๆศาสนานะ วิทยาศาสตร์เขาเรื่องกายภาพเขาเรื่องรู ป, ปรธรรมแต่ศาสนาสอนเรื่องนามรธรรมเรื่องจิตวิญญาณเป้าหมายคือให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติทุกศาสนาแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวศาสนาเองกลายเป็นตัวขัดแยง้งเป็นการสึกแย่งชิงมนชนกันนะก็โดยเฉพาะ <c oughs> สายพุทธเราเนี่ยนะทุกคนก็เห็น ตั้งแต่พ่อกูเกิดมาอายุห7สิเจ็ดปีแล้วไม่เคยเห็นคนไทยเราทะเลาะ ก, กันแบบนี้พูดศา ส, สนาในบ้านเมืองเราก็ทะเลาะ ก, กันนะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ำทางด้านจิตวิญญาณทีนี้ก็เถียงกันบางทีไม่มีอะไรพูดก็บอกว่าความเชื่อฉันถูกความเชื่อเธอผิดหลายคนก็อ้างคำสอนพพุทธเจ้าทุกคนอ้างหมดนะอ่านพระไตรปิฎกเล่มเดียวกัน ตีความไม่เหมือนกันนะไอ้ลัทธินิกายที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นเรื่องของอจริตที่ต่างกันแต่ที่มันไม่ควรเกิดก็เพราะว่าทุกคนมีทิฏฐิมานะมีอัตตาตัวตนเราชอบยังไงเราก็ทำไปเผยแร่ยังไงก็เผยแร่ไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่บางทีอ้างคำสอนผู้เจ้าเพื่อจะจับผิดคนอื่นนะ เหมือนในทางโลกเนี่ยลอมีกฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวพระครูจะพูดไปเรื่อยๆตอนนี้เอาเรื่องมาค้าบูชาทําไมต้องเน้นเรื่องมาค้าบูชาเอาเมื่อทะเลาะ ก, กันแล้วเด็กๆเขาก็ฟังว่าเอ้ากูบาอาจารย์รูปนี้คนนี้บอกว่าแนวนี้ถูกผู้เจ้าว่าอย่างนี้และอีกค่ายหนึ่งก็บอกว่าอย่างนี้แล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเราเขาจะไปฟังใครนะสำหรับพ่อรพครูเนี่ยให้ข้อคิดนะเราจับแก่นอะไรไว้นะโดยเฉพาะเราไม่มีโอกาส ไม่ใช่เราว่ามีโอกาสศึกษาวิชาพุทธศาสนานะคนที่เขามีโอกาสศึกษาจนจบป ร, ริญญาเก้าเป็นด็อกเตอร์ทางศาสนายังคุยก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าวิชาการตอนนี้มาในรูปของภาษานะส่วนมากในมาในรูปของภาษานั่นแหละองค์ความรู้มาจากรูปภาษาทีนี้พ่อคูพูดตลอดว่าภาษานี่มันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นพูดปุ๊บเข้าใจเหมือนกันนะ ถ้าเป็นสัจธรรมนี่มีหนึ่งเดียวอีกกี่ล้านปีก็เหมือนกันแต่ถ้าว่ามันทะเลาะ ก, กันปุ๊บนี่อันนี้อันนี้ต้องต้องเชื่อว่าไม่ใช่สัจธรรมมันเป็นแค่วิชาการนะคุยกันไม่รู้เรื่องนะโดยเฉพาะศาสนาส่วนมากเราพูดเรื่องสัจธรรมแต่ตอนนี้กลายเป็นวิชาการทางศาสนาแต่ละศาสนาก็เรียนจบมาเหมือนกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเชื่อไม่เหมือนกันนะ ตอนนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราด้วยคือพุทธกัดแย้งกันแยง่งชิงอะไรกันก็ไม่รู้นะพรากูรับขึ้นตรงนี้มาค่อนข้างนานพอสมควร น, นะถึงเบรตัวเองไม่ออกไปข้างนอกนะสองสามปีนะก็เราเราดูคำมาฆาบูชาที่พระองค์แสดงเรื่องโอวาทปาติโมกเนี่ยนะนะอันนี้พ่อกูขอพูดให้ฟังนะเออ ในทางศาสนาถือว่าเป็นวันแห่งพระธรรมจึงเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสี่อย่างอันนี้ไม่ค่อยสำคัญแต่ก็รู้ไว้ไม่เป็นไรนะเด็กๆ ก, ก็มีเนาะคือหนึ่งพะาาระรหันสาวกพันสรูปมาประชุมพร้อมกันสองท่านเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3. ท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายสวันที่ประชุมเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาคะหรือเดือนสามนะเรียกวันมาคะบูชาอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงศนิบาตก็ได้แปลว่าเป็นที่ประชุมพร้อมกันแห่งองค์สี่นะอันนี้คืออันนี้เขาบอกว่าวันนี้สำคัญอย่างไรแต่ที่สาคัญที่สุด ก็พระครูบวกไปด้วยนะก็เป็นวันเกิดของศูนย์นี้ด้วยนะหลายปีก่อนพระครูจำป ร, รไม่ได้ลนะมก็มีศึกษาที่การอำเภอซึ่งมาฝึกกับพระครูเป็นโรคภูมิแพ้โรคอะไรโรคติดเหล้าลดอะไรเนะี่ยเขาก็หายนะเขาเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งใจทำงานซื่อสัตย์นะแล้วก็ปีนั้น เขามาเชิญในพระครูเนี่ยเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุถวายสมเด็จญาปีนั้นน่ะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลถ้าข้าราชการบวชถวายบวชพระภิกษุถวายสมเด็จญาแล้วทุกคนได้สองขั้นพระครูก็บอกเอาสินะคิดว่ามีไม่กี่รูปพอประกาศออกไปแล้วเนี่ยมาสมัครหนึ่งรสบเอรูปหนึ 1, 1, 1. ่งหนึ่งหนึ่งทีนี้ตอนนั้นศูนย์ก็ยังไม่มีนะนะ ทีนี้เราก็ไปบวชที่เจ้าคณะอำเภอแล้วก็บวชเนนด้วยบวชบวชชีบวชบวชีพรมเป็นงานใหญ่มากนะก็เราเนรมมตศูร น, นี่ภายในหนึ่งอาทิตย์ขุดบ่อน้ำสร้างศาลาทั้งห้องน้ำห้องอะไรชั่วข่าวนะตอนนี้ยังเหลือซากอยู่นะไอ้กุฏิเหล็กที่เราเปิดขึ้นข้างๆนั่นแหละเราก็สร้างขึ้นมาด่วนพระคุณเจ้าที่บวชที่นี่อยู่ในป่า กลางโกดกันนะไม่มีไฟฟ้าก็นี่คือวันเกิดของศูนย์นะต้องตอนนั้นต้องอาศัยบรารมีสมเด็จยานะ่าเราทำให้ศูนย์เกิดขึ้นก็เราก็รักษาศูนย์ยยนะี้มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆแล้วก็ศูนย์นี้เนี่ยไม่ใช่เราปฏิบัติบูบชา นะเฉพาะวันมาคบูชาวิสาขาบูชาเข้าพรรษาเนี่ยอันนี้เราปฏบิบัติบูชาทุกวันตลอดปีไม่มีวันหยุดนะเราสมัยพ่อครูอยู่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีเราจะทําบุญเลี้ยงพระภิกษุสัก9้ารูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะไม่มีเวลาบ้างอะไรบ้างนะที่นี่ศูนย์เราเลี้ยงพะระเลี้ยงเนนเลี้ยงชีทุกวัน นะมันเป็นวิถีของเรานะเออมันเป็นวิถนะีหลายแห่งก็เปิดโรงเรียนวิถีพุทธนะเป็นวิธีการเท่านั้นเองแต่เข้าไม่ถึงวิถียี่สบเจ็ปีครบครูคเนี่ยทำอย่างนี้ทุกวันนะตั้งแต่ยังไม่มีศูนย์แล้วก็ทำในไร่แหลมทองนะมันเป็นวิถีเราก็นะ Go ที่สำคัญที่สุดในวันมาฆบูชาที่พระองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกอันนี้ต้องจับแม่นแม่นนะซึ่งเป็นคำสอนคำแนะนำที่เป็นหลักเป็นหลักเป็นประธานให้เป็นหลักปฏิบัติในแนวเดียวกันในแนวเดียวกันสำหรับพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เผยแผ่นะถือเป็นหลักการใหญ่หลักการใหญ่เป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนาหรือเป็นตัวศาสนาก็ได้วันที่เจ้าชายยุทธาตสรูทําเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกเราคือพุทธเราคือศาสนาศาสนามันอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ศาสนากลายเป็นวัดเป็นวาเป็นพุทธบริษัทสี่เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันนี้เป็นศาสนาที่สมมุติเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาทําหน้าที่ ขับเคลื่อนเผยแผ่คําสอนของพระ อ, องค์นะตัวศาสนานั้นไม่ใช่ธรรมะนะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาทีหลังศาสนาจริงๆคือสิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสรู้สิ่งที่พระ อ, องค์บอกกล่าวเรานั่นคือตัวศาสนานะซึ่งมีอันนี้เคยพูดมาหลายปีพระวันมาฆาบูชาพระครูจะเน้นย้ำเรื่องนี้แล้วก็ให้เราอย่าลืมนะไม่ต้องไปนั่งเถียงกันตอนนี้เถียงกันเรื่องอะไร นะทุกคนก็อ้างผู้เจ้าว่าพระภิกษุนี่ต้องฉันมือเดียวฉันสองมือไม่ใช่พุทธไปไปอยู่กับเรื่องไรข้อปีกย่อยแล้วก็ขัดแย้งกันนะอย่างนี้พระมหายานท่านฉันสามมือท่านก็ไม่ใช่พุทธใช่บางทีผู้เจ้าทรงแสดงกับคนใดคนหนึ่งพระ อ, องค์ก็ดูจดจิตจากคนนั้นก็ เป่งวาจาให้ปลดปล่อยจลิตนั้นเราก็เอาตัวนั้นมายึดว่าทุกคนต้องทำแบบนั้นนะเนี่ยหลักการมีแค่นี้แก่นทำนะซึ่งมีหลักการสอุดมการณีวิธีการหนะในโอวาทปาติโมกเนี่ยหลักการสมคือหนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงสองการทำกุศลให้ถึงพร้อมสการทำจิตให้ผ่องแผ้ว ก็ทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ปองใสส่วนบางคนทําดีโดยใช้ว่าอุบายว่าเออไปทําบุญกับเด็กยากจนบางคนทําดีว่าเออไปช่วยเหลือคนแก่คนชราเห็นไหมบางคนก็ไปทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมทีนี้จลิตของแต่ละคนทําดีไม่เหมือนกันอุบายวิธีนั้นไม่ต้องไปขัดแยง้งหลักการก็คือทําดีทําดีก็คืออะไรการให้ทานนั่นแหละนะ การให้ทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะ่คือการทำดีพระ อ, องค์ให้เครื่องมือมาด้วยไม่ใช่บอกเฉยๆว่าทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสบอกวิธีทำดีด้วยบอกวิธีละชั่วด้วยนะไอละชั่วนี่คือการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยพระ อ, องค์ก็เอาศีลมาให้เราคนยังเข้าไม่ถึงศีลบ ร, ริสุทธิ์ศีลด้วยความเป็นปกติ ศีลซึ่งเป็นบริสุทธิ์ของจิตยังไม่ถึงเราก็เอาศีลซึ่งเป็นตัวหนังสือเนี่ยศีลห้าศีลแปดศีลสิศีลปฏิโมกเนี่ยมาเตือนสติเราก่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้เราทําความชั่วนะก็ทานศีลแล้วก็ขัดเก่าจิตให้ผ่องใสพระ อ, องค์ก็บอกชี้ทางวิธีขัดเก่าเนี่ยคือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาก็ไม่ใช่นั่งท่องบนสวดมนต์เฉยๆการไหว้ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการทําสมาธิเบื้องต้น นะจดจ่อกับการสวดมันเป็นสมถมกรรมฐานอย่างหนึง่งนะเจริญภาวนาก็คือสมมถวิปัสนานะก็แค่นีนะ้นี่คือหลักการสามข้อที่ทุกคนต้องทําเหมือนกันส่วนเทคนิคอุบายวิธีเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยอย่าไปขัดแยง้งนะพระอรหันต์จี้กงกินเหล้ากินเนื้อสัตว์ผิดศีลไหมเออถ้าเราไปหลงศีลเป็นตัวหนังสือนี่ผิดศีลแล้วคนผิดศีลเป็นอรหันต์ได้ยังไง คำชีเจตนาอยู่ที่เจตนาของจิตนะตอนนี้เราไปติดพิธีกรรมแบบเปลือกกระพี้อ้างคำสอนผู้เจ้าตีความเข้าข้างที่เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอยู่ดังนั้นแหละผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราทะเลาะกันนะทีนี้อุดมการสี่คือหนึ่งความอดทนอดกั้นต่อการทำบาปทั้งกายวาจาใจสองความไม่เบียดเบียนงดเว้นจากการทำร้ายหรือเบียดเบียนสมความสงบ ได้แก่การปฏิบัติให้สงบกายวาจาใจสนิพพานได้แก่การดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาทีนี้วิธีการหนะวิธีการหก็มันอยู่ในกรอบสข้อนั่นแหละเป็นแต่ว่าเขาเขาเา เ, า, เ, า, เากระจายออกมานะเหมือนไตรสิกามีศีลสมาธิปัญญาเขาก็แตกเป็นมรคมีองคปดนะให้มันละเอียดขึ้น วิธีการหกคือหนึ่งไม่ว่าลายไม่สร้างมจีกรรมนั่นแหละสองไม่ทำลายไม่สร้างกายกรรมสาสำรวมในปาติโมกนะ 3. สรวมในปาติโมกอยู่ในมรรคในทางนะสรู้จักประมาณคือทางสายกลางไม่ใช่ช้างขี่ไปขี่ตามช้างอุ้ยคนนี้เขาสามวันสี่คืนไม่ต้องนอนอะไรเนี่ยนะ เ, เราทำเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ทำแค่พอดีของตัวเอง นะรู้จักประมาณ5อยู่ในสถานที่สงดคือสถานที่สัปปะยะนะฝึกหัดจิตให้สงบนะก็คือการเจริญภาวนาอันนี้คือวิธีการ6สรุปไม่ง่ายก็คือไม่สร้างวาจีกรรมกายกรรมอยู่ในมรรคในทางโดยยึดหลักทางสายกลางเลือกสถานที่สัปปะยะฝึกเจริญภาวนาเพื่อความสงบและความพ้นทุกข์ ก็นี่คือแก่นที่ผู้เจ้าบอกว่าเป็นหลักนะเป็นหลักทีนี้ยุคนี้ยุคแข่งขันเสรีทำให้ผู้คนในสังคมเกิดวิตกจริตกลัวว่าจะแพ้หรือเสียเปรียบบวกกับยุคข่าวสารไล้พรมแดนองความรู้ต่างๆผ่านมาในรูปของภาษาและตัวอักษรทุกคนแปลภาษาเข้าข้างทิฏฐิมานะของตนเองของฉันถูกของเธอผิด นะลัทธินิกายจึงเกิดขึ้นมากมายพุทธศาสนิกะชนไม่รู้จะฟังใครทุกคนล้วนอ้างเหตุผลตามความเชื่อของตัวเองเนี่ยความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเพราะเราไปติดดีติดถูกติดผิดนั่นแหละทุกคนก็ว่าฉันถูกฉันดีเราถูกเราดีไม่เป็นไรนะอย่าไปว่าคนอื่นเขาไม่ดีไม่การบัาจีกับตอนนี้สังคมเป็นอย่างนี้หมดทีนี้อีกหลักหนึ่งที่เรามายึด เพื่อเป็นแนวทางเรานะเพราะเราไม่มีโอกาสได้เรียนถึงเรียนรู้ศึกษาวิชาพุทธศาสยิ่งเยอะก็ยิ่งทะเลาะ ก, กันอ่ะนะเอาันว่าเรารู้หลักข้าวๆก็คือหลักกาลามาสูตรนะคืออย่าพึ่งเชื่อสิบอย่างพระองค์ตัดเองนะหนึ่งอย่าพึ่งเชื่อตามที่ฟังกันมาเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้นะอย่าพึ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆกันมา สอย่าพึ่งเชื่อตามคําเล่าลือสี่อย่าพึ่งเชื่อโดยอ้างตาําราทุกวันนี้อ้างตำลาไงผู้เจ้าว่าอย่างนั้นผู้เจ้าว่าอย่างนี้ตําราทั้งนั้นแหละนะไม่เคยไปนั่งฟังผู้เจ้าโดยพระโอษดเองนี่อ้างว่าพระโอษดไงตัวหนังสือคนนี้ก็อ้างพระโอษดพระโอษดนะแปลจากบาลีมาเป็นไทยก็แปลจากเป็นจีนเป็นอะไรก็ไม่เหมือนกันอีกนะทุกคนก็อ้างอันนี้ผู้เจ้าตัดไว้ว่า อย่าพึ่งเชื่อโดยอ้างตำลาข้อห้าอย่าพึ่งเชื่อโดยนึกเดาข้อหอย่าพึ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอาข้อเจ็ดอย่าพึ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผลข้อ8ดอย่าพึ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตนข้อ9้าอย่าพึ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อถือไดออ้คนนี้น่าเชื่อถือนะแล้วก็เชื่อเขาข้อที่สิบ อย่าพึ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตนอาจารย์ฉันว่าอย่างนี้อาจารย์ฉันว่าอย่างนี้อันนี้อาจารย์ฉันก็ว่าอย่างนี้นะทำไมอย่าเพึ่งเชื่อถ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนโดยเป่งว า, าจาออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเพราะวาจาเป่งออกมาเป็นภาษาบางทีท่านเป่งออกมาท่านเข้าใจร้อยเปอร์ซแต่ลูกศิษย์ลูกหา ปัญญาไม่เท่ากันคนนี้เข้าใจส0คนนี้เข้าใจห้าสิบคนนี้เข้าใจแปสิบเมื่อเข้าใจผิดก็ไปปฏิบัติผิดอย่าเพิ่งเชื่อนี่อีกหลักหนึ่งนะนี่อีกหลักหนึ่งผู้เจ้าแสดงว่าใช้ภาษามนุษย์ว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราปฏิบัติเห็นทำคืออะไรเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรค ผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือ น, นิโรธเมื่อเราเห็นจิตปุ๊บเราก็เห็นไปบ่อย ๆ, ๆแล้วก็เข้าใจอ๋ออ๋อออออสิ่งผู้เจ้าตรัสรู้นั้นน่ะสิ่งที่พระองค์อยากจะบอกให้เราเนี่ยมันพูดด้วยภาษาไม่ได้นะต้องเห็นด้วยตัวเราเองอันนี้คืออีกหลักหนึ่งแล้วมีอีกหลักหนึ่งนะอันนี้ประกอบกันนะพวกคูช่วงหลังถูกคาถามเรื่องวิชาการเยอะมากไม่เป็นไร เมื่อเราต้องการแบ่งปันเขาแล้วเนี่ยอย่าไปบอกว่าอย่าไปติดวิชาการเขาติดมาแล้วไงถ้าพูดปุ๊บเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาก็มีศรัทธาเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติพเพราะครูก็เปิดดูได้อ่านหนังสือก็อ่านออกก็อ่านอ่านได้หมดแหละไม่ต้องไปฟังคนนั้นคนนี้พูดไปอ่านเองก็ได้แต่ถ้าเกิดแล้วไม่มีปัญญาเราก็อ่านถูกอ่านผิดเหมือนกันนะแล้วเขาเชาเข้าใจถูกเข้าใจผิดมีอีกสูตรหนึ่งนะเขาเรียกว่าในจูนสา โปรปปมะสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ตัดถึงแกนแกนนะแกนกลางเนี่ยของพระพุทธศาสนาหรือสาระสําคัญของสัมมาปฏิบัติเอาไว้ว่าของสัมมาปฏิบัติอันนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะหลังจากเราอ้างคําสอนพระเจ้าอย่างนั้นพระองค์ว่าอย่างนี้นี่แหละทีนี้ก็อ้างวิธีชั้นดีกว่าวิธีเธอนะเออใช้อุบายต่างกัน จริงๆแล้วไม่ได้ผิดนะต่างคนต่างทําใครถนัดมือซ้ายก็ภายซ้ายขับรถขวาก็ภายขวาแต่ตอนนี้เอามาเถียงกั น, นของฉันถูกผู้เจ้าบรรลุธรรมด้วยอาณาปณสติเท่านั้นถ้าเท่านั้นก็สอนอย่างเดียวทําไมสอน8 000, 000, 000, ปดหมี่พันพระธรรมมาขันทำไมยกทัศน์ใจตกเยีายย่างสี่กรรมฐานนะอันนี้เราต้องการศึกษาธรรมเนี่ยด้วยจิตวิญญาณเนี่ยต้องเปิดกว้างไม่ใช่ไปยึดมั่นถือมั่นกับตัวหนังสือนะ แกนของพระพุทธศาสนาหรือสาระสําคัญหนึ่งลาบสกัลละชื่อเสียงเปรียบเสมือนกิ่งและใบของต้นไม้นะพระองค์เอาต้นไม้เนี่ยมาเป็นตัวสัญลักษณ์นะตอนนี้เราทํามาหากินเราต้องการลาบยศสรรเสริญมีลาบแล้วก็ต้องมียศมียศแล้วก็ต้องให้เข้าแท้ซ้องสรรเสริญนั่นคือความสุขของเราไง พระ อ, องค์เปรียบว่าสิ่งนี้เปรียบเสมือนใบกิ่งแล้วก็ใบเท่านั้นเองนะไม่ใช่ไม่สําคัญนะชีวิตเราไม่อยู่ไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยร่างกายนี้มันไม่มีพลังมันก็ปฏิบัติไม่ได้เนาะแต่ว่าความสําคัญคือเท่ากับกิ่งแล้วก็ใบของต้นไม้เท่านั้นเองทีนี้ข้อที่สองศีล น, นะศีล น, นี่เปรียบเสมือนสะเก็ดไม้สะเก็ดมันนะ สเกตไม้อะนะศีลนี่เปียบเสมือนสเกตไม้แต่บางคนเขาเอาศีลเป็นที่ตั้งนะเออเขาเอาศีลมากำหนดการมรรลุธรรมของเขาเนี่ยก็เป็นอุบายขอให้คุณอยา่าปฏิญาเลิกเดินทางเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ถึงแต่ว่ามันชูธงไม่เหมือนกันไงบางคนชูธงศีลบางคนชูธงสมาธิบางคนชูงนงนชงธ ง, ชงปัญญานะทีนี้ผู้เจ้ายกตัวอย่างว่าศีลนี่เปียบเสมือนสเกตไม้สเกตไม้ ข้อที่สมสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้เปลือกไม้นะข้อที่สี่ยานทัศนะหรือตัวปัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนกระพีไม้หลังจากเปลือกแล้วเข้าไปปุ๊บก็เป็นกระพีไม้นะข้อที่หวิมุตติวิมุตติหรือนิพพานเนี่ยเปรียบเสมือนแก่นไม้ทีนี้ต้นไม้ มันก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้มีใบมีกิ่งนะต้องมีเปลือกมีแก่นด้วยมันจะมีแก่นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมีเปลือกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องรวมกันหมดมันถึงจะสมบูรณ์แต่สุดท้ายตัวเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติคือนิพพานทีนี้พระครูเน้น บ, บ่อยก็เคยถูกต่อว่าอยู่พระครูบอกว่าสติไม่ใช่พระเอกนะเห็นไหมในสในหข้อนี้มีตัวสติไหม ข้อแรกลาบสกาละชื่อเสียงเปียบเสมือนกิ่งและใบของต้นไม้ข้อที่สองศีลเปียบเสมือนสะเก็ดไม้ข้อที่สามสมาธิเปียบเสมือนเปลือกไม้ข้อที่สี่ยานทัศนะหรือตัวปัญญาเปียบเสมือนกะพีไม้ข้อที่ห้าวิมุตินิพานเปียบเสมือนแก่นไม้มีสติไหมไม่มีสติจึงไม่ใช่พระเอกสติจึงไม่ใช่เป้าหมายแต่ตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ย ไปฝึกสติฝึกสตนะิเราทำสมาธิสติมันก็ตื่นขึ้นสติเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งในแปอย่างเดินทางแต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเห็นไหมพระองค์ยังไม่ยกตัวอย่างว่าสติ น, นี้เนี่ยในในต้นไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ด้วยแต่มันเป็นกําลังของสมาธินะ ทุกวันนี้เราไปติดที่สติสติสติสตไงมันถึงเข้าไม่ถึงปัญญาเนาะสติเป็นกำลังของสมาธิไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้สติไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่เป็นกำลังสำคัญในทุกๆขั้นตอนของการเดินทางเหมือนเราหลงป่าเนี่ยเห็นไหมเราสรุปเราฟื้นขึ้นมาเราก็หาทางเดินออกจากป่า แต่ตอนเดินออกจากป่าเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิก็ขัดขาตัวเองลมไม่มีสติก็ชนต้นไม้ตกเหวตกบ่อต้องใช้มันไม่ใช่อยู่แค่ฝึกมันต้องใช้มันยิ่งต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ใชนะใช้สติวิมุตติความหลุดพ้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของสัมมาปฏิบัติเพราะเป็นแก่นเป็นแก่นไม้ถ้าเราปฏิบัติเพื่อแค่ว่าเออเออฉัน แข็งแรงสงบแล้วความแข็งแรงนี้ไปสิ้นนะไปสร้างกรรมใหม่เป็นคนอ่อนแอดีกว่านะเป็นคนอ่อนแอดีกว่านะถ้าแข็งแรงเพื่อจะไปสร้างกรรมใหม่นี่มันเป็นบาปชีวิตนี้จะขาดทุนนะก็สรุปว่าการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้อยู่แค่ฝึกสมาธิเจริญสติแต่เป็นการเจริญมรรคผลนิพพาน ต้องต้องต้องชัดเจนนะก็สังคมทุกวันนี้เนี่ยเราก็ได้ยินทุกวันนะตอนนี้เถียงกันวุ่นวายไปหมดเลยทั้งบ้านเมืองนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอะไรเนี่ยเราบอกว่าบ้านเมืองต้องมีนิติรัฐนิติธรรมพระกูเขียนว่าสังคมมนุษย์ในรัฐใดถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต้องพึ่งกติกาคือกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมผู้รู้กฎหมายหรือนักกฎหมายและผู้มีอานาจ ใช้กฎหมายถ้าไม่มีคุณธรรมก็ย่อมใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมตัวกฎหมายเองไม่ใช่คุณธรรมถ้ากฎหมายดีจริงทําไมต้องแก้กฎหมายทุกยุกทุ ก, ท ก, ทกสมัยคนที่เขียนกฎหมายนั่นก็เขียนเข้าข้างทิฏฐิมานะตัวเองเขียนเพื่อให้ตัวเองมีประโยชน์เพราะว่าไม่ใช่พระอาหารหันต์นะมันเป็นสัญชาตญาณนะย่อมมีอคติ ตามธรรมดาของคนยังมีกิเลสตัณหาอุปทานกฎหมายจึงไม่ใช่สัจธรรมเป็นสมมุติบัญญัติบวกกับผู้รักษากฎหมายผู้ใช้กฎหมายและผู้ตัดสินกฎหมายซึ่งยังมีอคติอยู่ความเป็นธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างศาลทั่วโลกนี่นะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะศาลชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกานี่ยยังตัดสินไม่เหมือนกันเลยกฎหมายฉบับเดียวกันนะ ก็มนุษย์เราเนี่เหมือนเจอทางตันเหมือนไม่มีทางเลือกทั้งฝ่ายอาณาจักรและาศาสนาจักรขัดแย้งกันทุกหนแห่งทั่วสังคมมนุษย์มนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐพัฒนาไปพัฒนามากลายเป็นสัตว์สงครามเพราะคำว่าแข่งขันเสรีทำให้เกิดวิตกจริตทุกฝ่ายโกว่าจะแพ้โกว่าจะเสียเปรียบกลายเป็นสังคมสุดโตง ไม่ถูกก็ผิดเลยไม่ดีก็ชั่วเลยทุกวงการถูกครอบงำด้วยความคิดแบบธุรกิจนิยมแข่งขันเสรีจริงๆแล้วเนี่ยลัทธิทุนนิยมไม่ได้ผิดมันเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้ผิดเผด็จ ก, การก็ไม่ได้ผิดสังคมก็ไม่ได้ผิดมันเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการที่มันไม่ถูกก็คือมันแข่งขันเสรี ไอตัวแข่งขันเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยสัญชาตญาณ น, น่ยทุกคนก็มีความอยากใช่ไหมอย่างกีฬาทุกวันนี้เนี่ยสมัยก่อนพ่อคูเด็กๆ ก, ก็ได้ยินถูกครูให้บังคับร้องเพลงน่ยกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษตอนนี้กีฬาเป็นยาวิเศษไหมตอนนี้กลายเป็นธุรกิจการกีฬาเป็นยาพิษหมดเล่นเอาเป็นเอาตายชนะปุ๊บดีใจแพ้ปุ๊บเสียใจตีกันฆ่ากันเห็นไหม เพราะไอการแข่งขันเสรีโดยเฉพาะกีฬาบางทีเขาแข่งขันเขายังมีช่างน้ําหนักนะบางอย่างเห็นไหมเวลาเล่นบาสเกตบอลมันวัดความสูงไหมเตอสูงระดับนี้มาแข่งกันไม่เสรียังไงคนสูงกว่าย่อมได้เปรียบใช่ไหมเห็นไหมมันมันไม่มีคุณธรรมในตัวมันหรอกเออถ้าเล่นเพื่อยาวิเศษเล่นเพื่อให้มันแข็งแรงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่นเพื่อแพ้ชนะแล้วเนี่ย กีฬาเป็นยาพิษหมดนะเทคโนโลยีจเจริญขึ้นความเหลื่อมล้ำของสังคมยิ่งมากขึ้นในขณะที่สิ่งแวดล้อมโลกถูกทำลายเพื่อสร้าง GDP จนไม่เหลืออะไรตอนนี้ไม่เหลืออะไรนะกว่าจะเป็นน้ํามันได้กี่ล้านปีนี่สู่ขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านบาเลเร็วมาแลกเป็นเงินเป็น GDP ข้างล่างมันก็เป็นโทล ม, มันก็ถลม ฉันกลัวเธอเธอกลัวฉันนะนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อเพราะเลยนิวเคลียร์เพื่อสันติถ้ามันสันติจริงๆต้องช่วยกันสร้างเยอะๆโอ้อยู่กับฉันสันติอยู่กับอัสซัดดำไม่สันติอยู่กับเกาหลีไม่สันติฉันจะฆ่าเธอแล้วไปฆ่าเขาแล้วยึดน้ํามันเขาแล้วก็จับจับอาวุธเขาไม่ได้สักอย่างความแค้นมันเกิดขึ้นนะทดลองนิวเคลียร์ใต้มหาสมุทรนะเพรคนมองไม่เห็นนะ ภูเขาไฟใต้หมาสระเบิดขึ้นมานลาวาไหลออกมาหมดอุณหภูมิในมหาสมุทรเนี่เปลี่ยนเอลยินโน่ถึงเกิดขึ้นปามไม่เคยเกยตื่นมันหลงทิศหมดนี่คือฝีมือมนุษย์ผู้ประเสริฐนะความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีได้แทรกซึมเข้าไปในทุกทุกศาสนา ปกติทุกๆศาสนาสอนเรื่องจิตวิญญาณให้มีความเมตตาต่อมวลมนุษยชาติให้มีความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะทำไปทำมาศาสนากลายเป็นคู่แข่งคู่ขัดแยง้งเสียเองเป็นสงครามแย่งชิงมวลชนพุทธศาสนาในเมืองไทยเองก็เกิดขัดแย้งกันเองเช่นเดียวกันแทนที่จะดึงคนเข้าศาสนากลายเป็นขับคนออกจากศาสนา พอมาถึงพูดเรื่องนี้นะอันนี้หลายปีก่อนเพราะคูเคยพูดให้ฟังนะอันนี้เปิดนองจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาเราก็เน้นให้ชาติในฐานะที่เราเป็นศาสนาไหนก็ช่างคิดตั้งอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นข้อมูลปี2010ผลสำรวจขององค์กรเขาเรียกว่า PEW Pew สำรวจคนทั้งโลก 6,872 ล้านคนศาสนาคริสต์มาที่หนึ่ง มีผู้นับถือประมาณ 2,200 ล้านคนเทียบเท่ากับหนึ่งในสามของโลกอันนี้เมื่อ 2,100 น, น, นะก็คงคงที่ผ่านมาอี ก, อ ก, อกไม่กี่ปีนี้ก็คงเปลี่ยนกันไม่เยอะนะอิสลามมาที่สองมีคนนับถือ 1,600 ล้านคนเท่ากับหนึ่งในสี่ของโลกอันที่สาม เรามีาศาสนาใหญ่ๆสี่สาศาสนาในโลกนี้คือคริสต์อิสลามฮินดูแล้วก็พุทธแต่ที่สคือคนที่ไร้าศาสนามาเป็นที่สามหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านคนทีนี้ที่สี่คือฮินดูมีประมาณหนึ่งพันล้านคนพุทธเราอยู่ที่ห้า0ล้านคน เราอยู่เมืองไทยคิดว่าโอ้เรามี60สบกว่าล้านคนพุทเราแปดเเซนี่ยคงเยอะนะแต่ไปเทียบกับทั้งนอกนี่เรานิดเดียวเองนะให้เรานับถือหมดเลยก็6กกว่าล้านคนนะแต่รวมทั้งโลกแล้วเนี่ยพูดเรามีห้าร้อยล้านคนมาที่ห้าทีนี้อันที่หกลุ่มคนที่นับถือธรรมชาติถือพูดผีถือเทพธรรมชาติเหมือนชาวอินเดียแดง เขานับถือพระสุริยะนะเหมือนพ่อนับถือแผ่นดินเหมือนแม่เขาถึงไม่ทำลายธรรมชาตินะคนอินเดียแดงนับถือธรรมชาติทีนี้พูดผีแล้วก็เทพพูดผีแล้วก็เทพเนี่ยกำลังจะดึงคนออกจากพุทธศาสนานะเรานับถือพุทธศาสนาในในทะเบียนบ้านอยู่แต่ว่าพฤติกรรมเราเนี่ยป็นับถือเทพ น, นับถือผีละ เลี้ยงผีกันเพราะความอยากของเราส่วนที่เจเนี่ยาศาสนาย่อยๆบาไฮเต๋อชินโตซิกนี่รวมกันแล้วประมาณ58บล้านคนนะอันที่8คือยิวยิวคืออิสราเอลนะ14ล้านคนพวกครูเขียนไว้ว่าแนวโน้มไร้าศาสนาจะมากขึ้น เพราะศาสนาไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่นะเมื่ออนุลักษ์แบบข่ำคืนะไปทําบุญที่วัดไปแค่ทําบุญทําพิธีกรรมทางศาสนาเฉยๆนะแต่ไม่ยอมขัดเกลาจิตนี่ปัญญามันไม่เกิดนะไม่ใช่พวกเรานะนักวิยาศาสตร์เลือเรียนจบปริญญาเอกหลายคนเนี่ยก็ไหว้เจ้า เมื่อกี้แก้วพึ่งจะออกมาจากที่พักบอกว่ามีมคาถามมาว่าวันนี้ไม่ตอบคำถามแต่ในไหนมาตรงนี้ก็ตรงน่จำเป็นต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหมต้องถามคนไหว้ไปทำไมบางคนเคยไหว้ไม่ไหว้นี่นอนไม่หลับเลยนะกลัวเขามาหากคอผู้เจ้าบอกอัตหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกวันนี้เราไม่เข้มแข็ง เราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครองเราเนาะอย่างเราไหว้พระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้ไหว้ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระพุทธรูปเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเราไหว้เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่างเลยไหว้ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้แล้วก็ขอขอขอขอข อ, ขอนะ ผู้เจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นขอนะสอนสอนเราเป็นผู้ให้ทานศีลภาวน า, ามีข้อไหนบอกว่าขอเรือกข้อไหนเอาไม่มีตอนนี้อย่าว่าไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยเคยเห็นข่าว บ, บ่อยๆนะในเมืองไทยเราเนี่ยนะเวลาต้นกล้วยหรือต้นไม้มันออกอะไรแปลกๆมาก็จุดธูปจุดเทียนไปไหว้ขอหวยขอเบอร์นะื อันี้ไม่รู้ลัทธิอะไรลัทธิไหวไหวพูดผีไหวเทพเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขผนะู้เจ้าไม่เคยสอนให้เราขึ้นสวรรค์แต่พระองค์พูดเรื่องสวรรค์ให้เราฟังว่าสวรรค์เป็นยังไงโลกเปรียบเทียบว่ามันเป็นยังไงความสุขมีหลายระดับเอานรกเป็นยังไงมีหลายระดับนะแต่ไม่ใช่ ให้เราทำบุญเพื่อขึ้นสวรรค์นะเปรียบเทียบว่าคนที่มีจิตใจบุญสุนทานเขาก็ได้รับความสุขเหมือนเหมือนสวรรค์ที่เขาว่าดอกมาสวรรค์ไม่ได้มีอย่างนั้นไม่ใช่เป็นแดนยิ่งนรกเห็นชัดไหมจิตเป็นทิพย์จะเอาใครไปขึ้นต้นนิ้วเหรือจะเอาไปใครไปต้มเหรอแต่เขาสะท้อนให้เห็นว่าเราทุกข์เหมือนขึ้นต้นนิ้วเราทุกข์เหมือนถูกต้มนั่นแหละเพื่อให้เราเห็นอารมณ์นั้นเท่านั้นเอง นะก็พ่อครูสรุปว่าแนวโน้มรุ่นใหม่เนี่ยเขาจีอยู่ในส่วนที่ไล้ศาสนาเพราะตอนนี้เกือบทุกศาสนาเนี่ยไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาแล้วตัวศาสนาเองก็ถัดแย้งทะเลาะบ่แว้งกันนะแล้วเราจะสอนให้เขาไม่ทะเลาะ ก, กันได้ยังไงพ่อครูรับคืนนี้หลายปีแลวนะนะ ก็ถ้าจะรอให้โลกนี้สงบนี่พ่อครูไม่ต้องออกไปอยู่ที่นี่นะเราก็ทําหน้าที่เราทุกวันอยู่ที่นี่แต่ช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากศูนย์กรุงเทพต้องย้ายที่ใหม่พ่อครูก็ไปเงียบๆก็ไปดูแล้วก็ไปรับขึ้นของนอกออไม่ไม่มีวันสงบหรอกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั่วโลกนะตอนนี้มันจ่อสงครามกันอยู่นะเพราะว่า ไปทำเขาไว้เยอะความเครียดแค้นก็เกิดขึ้นนะแต่ทีนี้ย้อนมานี่หลายคนเขาได้ยินเอ๊ะพ่อคูบอกว่าเราเปิดศูนย์กรุงเทพพ่อครูเรียกว่าอะไรนะศูนย์ชีวิตฟิตเนสนะนะไลฟ์ฟิตเนสนะนะฟิตเนสไลฟ์ออกไปข้างนอกพ่อกูจะไม่พูดเรื่องศาสนา เพราะคูไม่อยากขัดแย้งกับใครมันจะเป็นสกลลธรรมธรรมะซึ่งเป็นสากลอยู่เหนือศาสนาทุกศาสนาแต่มาสูนนี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพรากคูเป็นพุทธพรากคูเปิดโรงเรียนสองแห่งพรากูไปเปิดศูนย์กรุงเทพมันไม่เกี่ยวกับศาสนาโรงเรียนไม่เกี่ยวกับศาสนาเราส่งเสริมความดีเนี่ยนะแต่ความดีนั้นไม่ต้องเป็นศาสนาอย่าไปขัดแย้งกับใครนะ ก็ครูจะพูดเรื่องสกลพราะคูแสดงธรรมเหมือนเก่าแสดงสกลลธรรมแต่มาที่ศูนย์นี่ใครมาที่ศูนย์ต้องยอมรับนี่คือวิถีของพระลานคอยนะเราเป็นพุทธแต่พุทธอยู่ข้างในไม่ต้องไปขัดแย้งว่าของเธอของดีของฉันไม่ดีนะพอจิตมีความรู้สึกอย่างนี้นี่พักครูก็เริ่มไปมองาศาสนาอื่นเขาด้วยเขามีอะไรดีๆเยอะแย ะ, ยะใช่ไหมแล้วเที่ยวนี้นี่ กะเรมิตบางคนมีโอกาสตามพระครูไปอินเดียก็เคยพูดเกินเกินให้ฟังบางคนยังไม่ได้ยินเป้าหมายแรกเราไปวัดฮินดูเรียกว่าอักษรธรรมเขาใหญ่มโหลานนะเป็นมรดกโลกง่ายๆถ้าเก่าแก่กว่านี้นะ เขาทันสมัยมากพวกครูก็ไปศึกษาทาไมทาแบบนี้เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่เข้าวัดแล้วนะพวกครูเคยบอกบ่อยๆว่าศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงคำสอนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์แต่ตัวเป็นตัวคำสอนนั้นน่าจะเป็นตัวที่ทันสมัยนะเข้ากับคนยุคใหม่ได้นะไอ้แกนทานี่ ใครอย่าไปคิดบังอาจไปเปลี่ยนอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนไม่ได้แก่นธรรมนั้นน่ยมีคู่โลกคู่จั ก, กรวาลมีก่อนที่ศาสดาทุกศาสดาจะมาเกิดในโลกนี้ไม่ต้องคิดบังอาจจะไปเปลี่ยนแต่เทคนิคอุบายวิธีเนี่ยที่นำเสนอเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาแล้วเนี่ยต้องทันสมัยแล้วก็เที่ยวนี้เราไปเห็นวัดฮินดูครอบครัวหนึ่งเนี่ยจูงลูกจูงหลานมา เข้าวัดเขาสร้างแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขามีแสงสีเสียงเรียกว่าแสดงละครก็ไม่ได้แสดงอะไรก็ไม่รู้ล่ะเอาเด็กสี่คนระดับปถม ต, ต, ต้นออกมาเต้นไปเต้นมาแสงสีเสียงน่คนหนึ่งเป็นดินคนนึงเป็นน้าคนหนึ่งเป็นลมเป็นไฟธาตุสี่ นะคือสนุกสนานไปด้วยแล้วก็กป้อนธรรมะเนี่ยเข้าไปในตัวเด็กแม้กระทั่งตัวผู้ใหญ่ด้วยอย่าว่าแต่เด็กนะ่ยผู้ใหญ่ก็ไม่เคยศึกษาขนาดนี้นะเขาชี้ให้เห็นว่าตัวเรานี่ประกอบด้วยดินน้ําลมไฟถ้าวันไหนธาตุมันไม่สมดุลเมื่อไหร่ธาตุไฟมันมากกว่าก็เป็นไข้ไม่สบายเขาก็ใช้เทพแห่งไฟมาเผาหมดเลย เห็นมมันต้องเป็นแบบนั้นนะอันนี้วิธีปฏิบัติต้องนั่งเงียบๆนิ่งๆต้องอยู่ในป่าต้องวิเวกพอหลับตาปุ๊บคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อิจฉาคนนั้นคนนี้เนี่ยมันไม่เรียกว่าวิเวกนะมันเรียกว่างเงียบเฉยๆจิตไม่วิเวกเลยเห็นม พอมาเจอแนวเราปฏิบัติเนี่ยโอ้เสียงดังกับดิสโกเทคมันจะสงบได้ยังไงเห็นไหมคิดแบบเก่าไงยึดมัน่นถือมั่นกับความเคยชินนั้นสงบไม่ได้ไปว่างเงียบนะสงบต้องนิ่งนิ่งไม่ได้อยู่เฉยเฉยเหมือนตอไม้อย่างเดียวนิ่งอยู่เฉยเเหมือนตอไม้เป็นแค่อริยบทหนึ่งเป็นแค่ท่าหนึ่งเท่านั้นเองนิ่งอยู่กับทุกๆอริยบทนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวเห็นไหมเสียงดังก็สงบเงียบก็สงบ เต้นก็สงบลัมก็สงบเดินอยู่เฉยๆก็ต้องสงบเราไปติดรูปแบบไงแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนเห็นไหมไปนั่งทับตัวเองถามว่าเด็กๆมันทําได้กี่นาทีหนึ่งเราไม่ยอมเสียสละความเชื่อเราแล้วปล่อยให้ลูกหลานเราเป็นเหยื่อของสังคมทุกวันนี้มันดีไหมหมดจะไปติดรูปแบบอนุรักษ์ตรงนั้นแหละ ไปายวัดหินดูก็าไหมเขากำลังจะมาเปิดในเมืองไทยเห็นบอกเขาซื้อที่อยู่แถวลาดบุรีแล้วจะเป็นคนบุญของคนไทยเลยนะเจดีย์ใหญ่เขาเนี่ยนะใหญ่มากสร้างด้วยหินอ่อนหินแกนิกเป็นก้อนๆแกะสลักหมดมีเทพเยอะมากเลย เทพองค์หนึ่งอยู่ในนั้นคือพระพุทธเจ้าเราเขาไม่ได้แบ่งเขาไม่ได้แยกส่วนใครมีจริตนับถือเทพองค์ไหนเนี่ยเอาเลยบ้านเราแยกออกมาไม่เป็นไรยังมาแยกย่อยอีกเป็นลัทธินิกายแล้วทุกคนอ้างผู้เจ้าผู้เจ้าบอสอนให้ทำอย่างนี้เลยนะพาอครู27็ปีไม่ต้องระวังตัวเพราะว่าพ่ะครู ไม่ไปทะคลขัดแย้งกับใครเพราะครูไม่ตั้งลทัทธิใหมนะ่ขึ้นมันมาแรงเพราะครูก็เงียบนะแต่หลังจากไปกรุงเทพไปอินเดียเที่ยวนี้นะนี่ครั้งแรกไปดูฮินดูเขาแล้วก็ไปดูรีสอร์ทแห่งหนึ่งมันไม่มีศาสนาแต่เขาเอาเทคนิคในการฝึกจิตของทุกๆศาสนารวมอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เราไปโอเพ่นม์ไปเปิดวิสัยทัศ อย่าเป็นหลงมงมงายกับไอ้ไอไอที่ทำกันอยู่นะมันไม่ทันสมัยคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาเดี๋ยวรุ่นเราตายไปแล้วนี่รุ่นใหม่ไม่เอามันก็สูญพันธ์ไงถ้าตอนนี้เรายังไม่ตายเลยนี่นั่นแม้กระทั่งคนเรียนสูงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์เองก็ไปเชื่อผีเสื่อสางเสือเชื่อหมอดูไงเพราะเราไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลยเราอ่อนแอมาก ยุคนี้ไม่ใช่ยุควิทยาศาสตร์จริงๆนะเราก็ให้ทุกคนไปดูรีสอร์ทแห่งนั้นแต่คนทั่วโลกไปที่น้น่นโดยเฉพาะคนยุโรปเนี่ยกกว่าเปอร์เซนต์คนไทยคงไปน้อยมากเพราะมันแพงมากๆนะทุกอย่างเป็นเงินหมดแต่เงินไม่เกี่ยวกับเราไงเราไปเปิดหูเปิดตาว่า ข้างนอกเขาทำยังไงแต่คนส่วนใหญ่ไปที่นู่นคือไปเอาพลังเหมือนเราออกกำลังกายนั่แหละเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วความแข็งแรงดนบางทีไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเอาแค่กายเรื่องจิตวิญญาณบ้างกายภาพผ่อนคลายอารมณ์บ้างนะแต่พอครูพาไปดูให้รู้เห็นว่าเขามีหลายเทคนิคในการฝึกจิตในโลกนี้เนี่ยพวกเราอยู่ในกบในกาลานะ ถ้าเราไม่รีบเปิดนะเห็นไหมเห็นหรือยังเนะี่ยทะเลาะ ก, กันฝ่ายอนานจาจักรทะเลาะ ก, กันเป็นเรื่องของปุถุชนคณะสงฆ์ก็ทะเลาะ ก, กันถ้ามีใจบอกเศร้าใจเราจะหวังพึ่งอะไรเหรอทุกคนต้องตื่นขึ้นมาทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนต้องรักษาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของลูกหลานเราต่อไปนะ แต่สำหรับพวกกูแล้วว่าเราต้องใช้เทคนิคสมัยใหม่ที่มันทันยุคทันสมัยพวกกูไม่สนใจหรอกเทคนิคนี้ไม่ได้อยู่ตัวตายตัวไหมชื่ออะไรก็ไม่เป็นไรที่ผ่านมาถ้าไม่ตั้งชื่อเอศูนย์อะไรตอนนั้นเราตั้งสู้ศูนย์พัฒนากายจิตนะกันได้มีกรุงเทพก็แย้งว่าเอ๊ะพูดแล้วมันคล้ายๆเป็นศาสนานะพ่อกูเออลองเสนอมาสินะ ก็ไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็เอามันเลยเอามันสุดยอดเลยสุดท้ายพรอคูก็เป็นคนเลือกว่านั่นแหละไลฟ์ฟิตเนสฟิตเนสไลฟ์ก็คือชีวิตที่ฟิตเนสทีนี้คำว่าฟิตเนสเนี่ยถ้าจะไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันคือสภาวะที่สมบูรณ์สภาวะที่เหมาะสมรวมทั้งการบริโภคอาหารด้วยเนี่ยมันจะตั้งมันเรียกชื่อได้หรือเปล่ามันยาวขนาดนั้น แล้วก็เรียกชื่อมันตรงๆเลยไม่สำคัญหรอกเพราะครูต้องการผลต้องการผลนะเรียกแบบไหนก็ช่างวิธีไหนก็ช่างต้องการเกิดมรรคผลใช้เวลาสั้นๆง่ายๆนะก็สูนย์ ป, ปฏิเสธไม่ได้นะอย่างชาวพุทธ ไปเปิดอบอบนวดนี่ผิดศีลไหมบางทีศาสนาอื่นเขาก็ไปเปิดนะเขาก็ไปทําอยู่อันนั้นไม่เกี่ยวกับศาสนาไงมันเปรียบกับกิจกรรมที่เขาทําอยู่ส่วนพ่อคูเองเราเองเนี่ยไปส่งเสริมเปิดโรงเรียนหนึ่็ไม่เกี่ยวศาสนาทุกศาสนามาเรียนได้ทีนี้เราจะเปิดศูนย์กรุงเทพนะเปิดศูนย์เนี่ยสมัยก่อนพัฒนากายจิตใช่ไหมเขาบอกว่ามันใกล้ศาสนาที่นี้พ่อคูเออเอาชีวิตดีกว่าเพว่ากายกายฟิต จ, จิตเฟิรม์ม แต่ไม่มีจะกินเนี่ยดีไหมอารมณ์มันจะดีไหมเออคำว่าชีวิตนี่มันรวมหมดเลยเอาชีวิตนี่แหละชีวิตฟิตเนสนะชีวิตฟิตเน็ฟิตเนตชีวิตนี่คือสโลแกนส่วนชื่อก็ชีวิตฟิตเน็ตแล้วก็สามวันมาพ่อครู คนอื่นเขาเรียกว่าเข้ากรรมเข้ากรรมพวกกูไม่ได้เข้ากรรมที่ไหนนะพวกกูพักผ่อนสามวันนะพักกระเพาะนะพักการพูดได้ผลนะวันนี้พวกกูพูดเสียงดีมากเลยที่ผ่านมาพวกกูไม่มีวันหยุดเลยมันติดอยู่ตรงนี้ <c oughs> เมื่อไม่ได้ทานข้าวทานอะไรแล้วแล้วก็ไม่ต้องพูดเนี่ยได้พักผ่อนนะอันเรื่องนี้ดีมากแต่ยังไม่พอสามวันไม่พอ น่าจะเยอะกนนันบังเอินว่าไม่ออกมาไม่ได้พรุ่งนี้วันมาฆบูชานะก็วันจันทร์ที่ผ่านมาพราะกูก็มีโอกาสพาดเด็กๆที่อยู่ประจำตรงนี้เนี่ยเข้าไปในเมืองจริงๆแล้วอาจารย์อ้อยเนี่ยเป็นเจ้าภาพพวกกูก็ไปเป็นเพื่อนก็ไปดูพิยาลัยไ ม, ม, มิทยาัยพยาบาล แล้วก็ดูโลงพยาบาลตอนนั้นพ่อครูส่งปุ๊บพ่อครูออกไปท ำ, ทำทำทำงานอย่างอื่นแล้วก็มารับไปกินข้าวกันที่นี้ตอนบ่ายเนี่ยไปดูราชพักนะเขาไปบุกไว้ตั้งห้าคณะนะบังเอิญอาจารย์อ้อยเนี่ยแกเหนื่อยมั้งเหนื่อยมากนะแล้วราชพักเขาให้เราขึ้นบันไดเนี่ยสามชั้นแล้วมันชันมากอาจารย์อ้อยก็คงเหนื่อยความดันขึ้นที่แรกพ่อวจะไปส่ง แล้วก็พวกคูก็ออกมาทำงานแล้วก็จะไปรับอาจารย์อ้อยก็เกิดความดันขึ้นสูงนะแก้วก็เลยพาไปโรงพยาบาลพวกคูก็เลยต้องทำหน้าที่ขัดตาทัพทั้งห้าคณะดีมากดีแล้วที่พวกคูได้ไปสัมผัสก็ต้องขอบคุณนะพวกเรามาจากเป็นคนบ้านนอกมีเด็กมัานนอกทั้งนั้นเจ็ดแปดคน อธิการบดีมายืนต้อนรับเราเชิญเป็นห้องเขาแล้วก็ทุกๆคณะเนี่ระดับคณะบดีนะแล้วก็ครูสายงานมานั่งต้อนรับเราหมดยังก็ต้อนรับรัฐมนตรีเนาะไม่รู้เขาคิดอะไรเพรากูก็คอนโดธนาสาธุขอบคุณครับมากๆแต่พ่อคูเห็นอะไรรู้ไหมห้องประชุมทุกคณะนี่เหมือนกันหมดเลยถ้าจับพ่อคูปิดตาเขาไปอีกพ่อกูไม่รู้ว่าคณะไหน และ ว, วิธีการประชุมอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนี่คือหลักวิชาการลยเขาก็แนะนำคณะบดีชื่ออะไรตำแหน่งอะไรด็อกเตอร์อะไรอะไรนะเสร็จแล้วก็ถึงเวลเอาเราเนี่ยคู่้านอกเราสองคนก็อยู่ที่นูน่นพูดเป็นไ้ยไม่เป็นพ่อคูก็เลยบอกว่าเออพ่อคูเป็นตัวแทนวโรนิธิครูเนี่ยเป็นตัวแทนของโรงเรียนนี่เด็กนักเรียนเป็นตัวแทนอันนี้มา ไม่แนะนำแต่ละคนทีนี้ก็เล่าเงเข้าๆให้ฟังพอไปเจอคณะสาธารณสุขคณะบดีเป็นผู้หญิงนะเขาสินเสียมากเขาก็แนะนำพอลองคณะลองคณะบดีก็บอกว่าศาสตร์ศาตร์นี้เนี่ยไม่เน้นรักษาเน้นป้องกันพอเขาพูดเสร็จเขาก็ให้พ่อคูพูดนะพ่อกูบอก พราะกูก็เห็นด้วยไงมีกระทรวงสาธารณสุขไม่มีกระทวระวงแพทย์เลยไม่มีกระทรวงรักษาโรคนะแต่บทบาทสาธารณสุขเนี่ยงบประมาณนิดเดียวเองไปเทให้โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อุบัน่ยเพราะกูเกิดอุบล น, นะสมัยก่อนมีแค่อาคารเดียวมีสนามหญ้าเขียวไปหมดตอนนี้สร้างจนไม่มีแม้แต่หนึ่งตารางเมตรว่าง แล้วบังเอิญต้องไปเยี่ยมอาจารย์อ้อยนะฮอยู่ตึกสูงนะห้องรวมอ่ะนะคนนี้ก็โอยคนนี้ก็เอคนนี้ก็อู้คนนี้ก็อีแล้วก็ญาติพี่น้องนอนเต็มไปหมดเด็กๆจะขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์อ้อยปุ๊บเนี่ยวกแตกวกแตนวิ่งลงมาหมดพวกครูก็บอก ทางคณะสาสารณสุขบอกว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคสีวีไลยุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดในมวลมุทสี亚洲ชาติคนล้นคุกคนล้นโรงพักคนล้นโรงพยาบาลถ้ายุคนี้เก่งจริงๆต้องทำให้คนไม่เป็นไข้ต้องทำไม่ให้คนติดคุกเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดสำหรับพระครู เขาเงียบหมดเลยสาธารณสุขคือคำตอบสาธารณสุขไปว่าอะไรรู้ไหมมีหน้าที่ทำให้สังคมมีความสุขแต่ตอนนี้ทั้งโลกสาธารณนาทุกทุกท่วนหน้าแต่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกบ้านเมืองเนื่องจากถูกครอบงาด้วยธุรกิจนิยมการรักษา โรคภัไข้เจ็บกลายเป็นสินค้าแม้กระทั่งคุณหมอหลายท่านนะที่มาฝึกที่นี่จากเป็นหมอวิทยาศาสตร์เลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกหลายคนเพราะวิทยาศาสตร์เนี่สารเคมีนี่ยพวกครูไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะบางอย่างอย่างครูปุ้ยวันนั้นวันนั้นแปลกมากช่วงนี้แปลกมากเพราะเราต้องถนอมชีวิตแล้วนะ ถนอมหน่อยนะโดเฉพาะไอ้เด็กลิงห้าคนเนี่ยพรอคูบอกว่าเนี่ยอย่าอย่าเปืองคูนะแต่ครูปุ้ยนี่ใส่ติ่งแตกนี่มันหนีไม่พ้นไงก็ต้องอาศัยแพทย์แผนปัจจุบันไปผ่าตัดบังเอิญว่ามันแตกก่อนไปก็เป็นภาระนวาดไปอีกเห็นไต้องใช้เวลามากห น, หน่อยหนึ่งบางคนตายเลยนะเพราะว่าหนองเนี่ยมันลามไปทั่วล่าง ส่วนวจารย์อ้อยเนี่เป็นความดันนะทีนี้พกก่อคูก็ตามข่าวตลอดพกก่อครูต้องกลับมาที่นี่ยังไงมาเคลียร์ปุ๊พกก่อครูก็ต้องออพักผ่อนสาวันแต่ว่าให้แก้วก็ตามตลอดเวลาหมอคนนี้บอกว่าประวัติแกเคยให้ออกซิเจนกลางคืนเนี่ยแนะนําให้ออกซิเจนอีกพราเขาหาสาเหตุไม่เจออีกหมอคนหนึ่งบอกว่าให้ออกซิเจนปลายเหตุนะความดันมันต้องมีต้นเหตุมัน เขาหาอยู่สองสามวันพ่อครูก็เลยเขียนให้แก้วว่าส่งไปให้อาจารย์อ้อยทีเสาวเป็นคนดูแลโรคกลุ่มภาษาอังกฤษ NCD พ่อครูไม่รู้แปลว่าอะไรเขาเรียกว่ากลุ่ม NCD คือหนึ่งมีเบาหวานสองโรคอ้วนสามความดันสี่มะเร็งห้าหลอดเลือดอุดตันหกถุงลมโป่งพอง ต้นเหตุมันเกิดมาจากพฤติกรรมส่วนมันแสดงออกทางกายภาพเนี่ยมันคือผลมันต้องแก้ที่เหตุสาเหตุต้นเหตุอันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ความดันสูงกูก็กดให้มันต่ำนะเหมือนเบาหวานเหมือนกันมันเบาหวานขึ้นฉีดอุจจารย์ให้มันต่ํามันต่ําเกินไปก็กินน้ําตาลให้มันสูงมันไม่ได้รักษานะมันแก้ถ้าไม่ให้มันสูง แล้วก็แก้มันต่ำเกินไปก็ให้มันสูงแล้วสุดท้ายแล้วนี่ไม่ได้ตายเพราะเบาหวานตายเพราะต้องไปฟอกไตาตายเพราะยามันรักษากันแบบนี้ไงเพราะอะไรเขาไม่เก่งเหรอเพราะคูไม่เชื่อว่าเขาไม่เก่งวิทยาศาสตร์ตอนนี้เก่งมากต้องมีจ G G 3, G 3, G G ีสองจีสามจีสี่ห้าวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่พ่อคูไม่ต้องชาย พ่อครูเก่งกว่าเขาเจตนาที่จะไม่ทําใช่ไหมพราอครูก็ไม่รู้ไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจีกรรับเทให้การรักษาหมดทําไมไม่ป้องกันพราะครูก็บอกทางคณะสาธารณสุขคณะนั่นนะ่ะพ่อครูบอกว่าหลายปีก่อนมีรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยคนเก่านะไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านพร้อมคณะมาเยี่ยมพ่ะครูเนี่ย เขาก็ถามว่าปัญญาพ่อครูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงพ่อครูก็บอกว่าวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดคือมนุษย์ถ้ามนุษย์สะอาดสิ่งแวดล้อมก็สะอาดมนุษย์สกปรกสิ่งแวดล้อมก็สกปเราต้องแก้ที่มนุษย์ อย่างตอนนี้นี่มนุษย์ทำลายป่าหมดเลยก็ตั้งเก็บภาษีให้คนจนจนไปอีกเพื่อเอามาปลูกป่าปลายเหตุต้องแก้ที่มนุษย์คำว่าสาธารณสุขนี่คือคำตอบอยู่แล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเอาไปทุ่มเทให้การรักษาเห็นไหมบางคนไม่เข้าใจพ่อครูอยู่ที่นี่ ทำไมเด็กๆไปส่งเสริมพ่อครูให้ไปเรียนแพทย์แผนไทยทำไมต้องรู้ทั้งหมดว่าพ่อครูมองอะไรแม้กระทั่งคุณหมอที่มาฝึกที่นี่นี่เบนเข็นทิ่ไปแพทย์ทางเลือกหลายเดือนก่อนเคยพาแก้วไปกรุงเทพก็แวะไปเยี่ยมคุณหมอไม่ใช่คุณหมอดีไม่ดีนะขบวนการเขาอยู่ตึกสูง ค่าใช้ใจ่ายมันแพงค่าเครื่องมือมันแพงเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านเขาไม่เก็บแพงเขาก็อยู่ไม่ได้ไงพวกครูเรียกว่าบังเอิญหมอสนิทกันคุณหมออันนี้ไม่ใช่แพทย์ทางเลือกมันเป็นแพทย์ไม่มีทางเลือกผลจนไม่มีทางเลือกเลยเราต้องเรียนแพทย์แผนไทย ไม่ใช่ไปเรียนเพื่อไปอวดเก่งกันแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันในี่อายุเฉลี่ยห้าจปีตายแล้วอยู่กับสารเคมีอยู่กับความเครียดเรียนกว่าจะสอบได้ก็เครียดสอบแล้วก็เครียดอีกจบออกมาเครียดอีกไม่อายุสั้นได้ยังไงไม่ใช่คุณหมอดีไม่ดีนะแต่ระบบมันทำให้คุณหมอเป็นแบบนั้น คุณหมอดีๆเราหลายคนเนี่ยมีคุณธรรมมากไปบรรยายที่ไหนเขาเอาเงินใส่ซองมาเนี่ยไม่เคยเปิดดูเลยนานๆก็มาถวายพ่อคู่ไม่ใช่คุณหมอไม่ดีนะแต่ระบบมันทำให้มันเป็นแบบนั้นไงแม้กระทั่งพยาบาลไปเที่ยวนี้นะเราจะไปแข่งกับเขาทำไมไปดูสองแห่งแห่งหนึ่งบอกว่า ปีที่แล้วมาสมัครพันกว่าคนเอา80และชีวิตพยาบาลก็เครียดไม่ต่างอะไรกับหมอหรอพกพ่อครูเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็เห็นแล้วไงเราเลือกอาชีพที่มันมีชีวิตมีประโยชน์กับชีวิตเราเฉพาะพรอครูไปศึกษาแล้วแพทย์แผนไทยมันเป็นคณะใหม่หลังจากนั้นไปเช็คดูแล้วเนี่ยเขาอยากให้เราไปเรียนมาก เราะครูก็ต้องการมีไม้บรยายายาสี่อย่างพดุงคันก็ได้รักษาก็ได้นวดนี่เราเข้าใจว่าแพทย์แผนไทยเป็นหมอนวดมันไม่ใช่มันหมดสมัยแล้วมันเหมือนนวดรักษาไม่ใช่นวดเพื่อให้มันหายเมื่อยไม่ใช่หมอนวดทั่วไปแล้วก็มันเหมือนจีนเขาฝังเข็มนั่นแหละทีนี้อันสุดท้ายนี่สําคัญมากคือเป็นเภสัชก็ได้ เมืองไทยเราเป็นประเทศอยู่ในโซนเขาเรียกว่าเข้มขัดโลกมีไม่กี่ประเทศนะที่ปลูกสมุสนไพรโซนร้อนนี่ได้ถ้าคนรุ่นใหม่มาช่วยกันเรียนแล้วก็อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ใช่ว่าแพทย์แผนไทยสมัยก่อนต้องแก่ๆเหมือนพ่อครูเอาลากไม้มาต้มเป็นหม้อมอ <c oughs> มันหมดยุคแล้วพาไปดูแล้วก็มีห้องแผลอะไรเขาใหม่หมดเลยแล้วมาผลิตยา แล้วมีผู้ใหญ่ในแผ่นดินนะอยู่เบื้องหลังตรงนี้เนะ่ยถ้าเรามาช่วยกันทํานี่เราผลิตยาเนี่ยไม่ต้องไปสั่งยานอกเข้ามาไม่ต้องไปเสียงว่าประมาณเขาแก้เศรษฐกิจได้ด้วยไม่มีสารตกค้างต่างหากมันมีอะไรไม่ดีเหรอแล้วมันหมอกับชุมชนเรามาพึ่งตนเองไม่ดีเหรอนี่หน่อยก็ไปหาหมอที่หาหมอเขาก็แก้แบบตามอาการปวดหัวก็กิกนยาพาราเบาหวานขึ้นก็ฉีดให้มันต่ําเดี้ยงหมดมองอะไรมอ ง, องกว้าง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับความเคยชินตัวเองนะเพราะครูดูอะไรเพราะครูแนะนำอะไรนี่ไม่ใช่อาชีพนั้นมันทำเงินเยอะนะอาชีพนั้นนะ่ะชีวิตเราต้องมีความสุขมีประโยชน์ต่อ ต, ตัวเองกับสังคมจริงๆไม่ใช่เอาแค่รวยนะรวยแล้วอายุสั้นเอาไหมรวยแล้วเครียดเอาหมเหม็นมอ ง, องกว้าง นะก็ดีแล้ววันนั้นที่พ่อครูตามไปเพราะว่าเขาเขาต้อนรับเราดีมากถ้าถ้าไม่มีใครไปขัดตาทับเนี่ยมันไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะเขาจัดเตรียมไว้งตลอดวันเลยนะเขารอเราตลอดนะแล้วก็พ่อครูมีโอกาสหลายปีแล้วอยู่ในป่าเนี่ยไม่ได้ไปสัมผัสว่านักวิชาการเขาคิดยังไงเขาทำยังไงอะนะ เหมือนกันหมดเลยเป็นชุดวิชาเลยวิธีประชุมก็เหมือนกันหมดเลยมันถึงแข็งไงถึงเครียดไงใช่แต่ตอนนี้เราปฏิเสธวิชาไม่ได้ไงเด็กๆเห็นไหมเด็กๆที่นี่ถามเขาหลายคนนะหลังจากเวี่ยงไปเวี่ยงมาลูกเขาบอกถ้าเขาเลือกได้เขาไม่อยากไปเรียนเขาอยากช่วยพ่อครู บอกอยากช่วยพระครูต้องเรียนลูกถ้าเอาแรงงานช่วยพระครูนี่หนูๆเนี่ยแรงงานสู้กรรมกรที่นี่ไม่ได้เราต้องเรียนหลายแขนงใหม่ๆสมัยใหม่ๆลูกมาช่วยกันแต่ว่าเราต้องเดินสายกลางไม่ใช่ไปตามเขาไปหลงเขาร้อยเปอร์ซนนะนี่คือเรามีอาชีพได้ช่วยบ้านเมืองด้วยช่วยมนุษย์ด้วยอันนี้แหละแล้วก็บวกเราที่เราปฏิบัตินี่นะ อันนี้คือทางเลือกจริงๆคนจนก็ได้เลือกใช่ไหมทุกวัยมาทำประโยชน์ได้นี่คือทางเลือกแพทย์ทางเลือกการฝึกจิตทางเลือกการทำร่างกายแข็งแรงทางเลือกนะเพราะครูถึงพยายามเขากำลังจัดแต่งภาษาใหม่อะไรนะ่ละถ้าชมรมกรุงเทพเราทำเสร็จแล้วเนี่ยชมรมกรุงเทพบางทีสมาชิกชมรมเนี่ย ต้องเสียสตังค์นิดนึงเป็นค่าบารุงเนาะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอ้อแล้วบอกคนจนมาไม่ได้มาได้นะต่อไปเราเจอว่าคนจนเนี่ยมันถึงกรรมกรอยู่ที่ท่าเรือของเตยเขาสนใจเนี่ยไปเลยไปสอนเนี่ยเขาไปเช็คแอนด์แดนนะอยู่ท่าเรือเลยกลุ่มเต้นอลลบิกอยู่สวนลุมไปเลยอันนี้คือทางเลือก แล้วที่มันง่ายมันง่ายกว่าอาราเบีกอีกอาราบียยังต้องมีครูบาอาจารย์เต้นแล้วก็เต้นตามเขาถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ไม่ต้องเลยเห็นไหมลุยเลยใช่ไหมไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึก just do it มีอะไรง่ายขนาดนี้ถ้าทําแล้วนี่ผลที่มันเกิดกับเราเนี่มหาศารไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้อะไรเลยเนี่ยเพราะครูพร้อมแล้วตอนนี้พ่อครูออกไปได้แล้วไม่ต้องพูดศาสนาไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใคร ต้องร้องเพลงสมัยก่อนเขาบอกออกมาเต้นออกมาเต้นเต้นแล้วมันเสียอะไรเหรอไปตีหัวใครเหรอเต้นแล้วกายฟิตจิเตเปิมอารมณ์ดีชีวิตมีสุขบางคนแย้งบอกครูเอาพวกครูส่งเสริมให้เขาติดสุขเหรอคุณรู้เปล่าสุขนี่มันคืออะไรนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่อย่าไปพูดคําว่นนานิพพานเดี๋ยวไม่ใช่ศาสนาอื่นเขาไม่มานะเดี๋ยวพุดกันเองเขาจะยิงมา ผู้เจ้าสอนให้เต้นแบบนี้เหรอเอาอีกแล้วไม่ต้องพูดไงตอนนี้พระครูออกไปแบบนี้แหละนะชาวพุทธต้องทำดีทานศีลภาวนาคือหน้าที่เราการให้เป็นหน้าที่เราแต่ต้องฉลาดให้ถ้าให้เราไปขัดแย้งกับคนอื่นนี่อันนี้ขยันแบบงงๆไม่สำเร็จนะต้องทันสมัยนะก็ถือโอกาสแจ้งให้พวกเราทราบเพราะว่า บางคนเอ๊ะพ่อครูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใครเปลี่ยนพ่อครูก็ไม่ได้โลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราไม่เปลี่ยนรู้เท่าทันมันเนี่ยเราเสร็จหมดพ่อครูมีทางเดียวไม่ออกไปทำได้นะได้พ่อครูมาจากเมกาก็อยู่เฉยๆยี่ปีไม่ไปไหนเลยก็ยังได้ไม่ออกไปก็สบายดีไงสําหดส่วนตัวนะแต่ทีนี้มันเกิดประโยชน์อะไรมากมายนะพ่อครูก็อยู่ในชุมชนเ็กๆนี่ดูแลไม่กี่ชีวิตไงเห็นไหม พอเราบอกว่าฟิตเนสเนี่ยนะหลายวงการอ้าแขนรับเลยหลายโรงเรียนอ้าแขนรับเลยเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเขามีหลายศาสนาไงคุณไม่พูดศาสนาเนี่ยเขาไปขัดแย้งกันอีกแต่มาที่นี่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีศาสนาแต่เราไม่หลงศาสนาเพราะครูไม่หลงศาสนาทุกศาสดาสอนดีหมดอยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจคําสอนนั้นถูกต้อง ตอนนี้ไม่ยอมปฏิบัติกันมีแต่อ้างคำสอนผู้ด้วยเจ้าพราะองค์ว่าอย่างนั้นพราอย่างนี้ไม่เคยทำตามที่พระองค์ทำเลยมีแต่ไปท่องจำสิ่งที่พระองค์พูดมันไม่มีสาระอะไรนะทีนี้เมื่อกี้พระกูบอกแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีกายกับจิตมีกายกับจิตแล้วมีอารมณ์สามอย่างส่วนประกอบของมนุษย์นะกายนี่ เรามีขันห้าไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้รูปคือหัวไม่โป้งเนี่ยคือรูปกายเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้คือเจตสิก ค, คือตัวอารมณ์ตัวทวนนิ้วก้อยนี่คือจิตคือวิญญาณเราประกอบด้วยสามอย่างนี้นะเราต้องบางคนบอกไม่ต้องพัฒนา กายมันดิวอยู่แล้วจิตมีอยู่แล้วนี่โลดมีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยอันนั้นวิปัสสนึกนึกเอาถ้าเข้าถึงตรงนั้นแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไงมันแต่ตอนนี้มันยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมแท้เป็นพระพัฒนสอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่จิตเดิมแท้มันเป็นจิตปรุงแต่งมันเปื้อนแล้วผู้เจ้าถึงต้องขัดเกลาจิตให้ผ่องใสอาจจวไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอะไรอะไรเนี่ยมันจะตั้งลัทธิใหม่อีกแล้วนะเอาล่ะ เราก็ไม่ต้องไม่ต้องพัฒนากายจิตล่ะเรามาฟิตเน็ตกันดีกว่านะชีวิตฟิตเน็ฟิตเน็ชีวิ ต, ต, ต, วตทีนี้ชีวิตจะฟิตเน็ตได้ต้องสมอย่างนี้สมบูรณ์นะก็กายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขอยู่ในสอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมแต่เป็นภาษาสากลไหมคําว่าสุขในที่นี้เนี่ยคือนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ยังไม่ถึงนิพานก็สุขตามอัตภาพอย่าทุกข์ก่อน อย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานนะเรามาแบบเรียบเรียบไม่ง่ายนี้ดีกว่าเนาะก็โปรแกรมกายพิธธจิตเพิ่มอารมณ์ดีมีมชื่อโปรแกรมนะแล้วก็ภาษาอังกฤษบอก easy happy freedom easy คือง่าย happy คือมีความสุข ฟรีเดีมคืออิสระเห็นไหมเวลาเราเช็คแอนด์แดนซ์เห็นไห ม, หไหมอิสระมากนะไม่อายเลยไม่มีมารยาทเลยเห็นไหมเห็นหแล้วไม่ได้ตีหัวใครด้วยไม่ได้ไปทำชั่วที่ไหนนี่คือละชั่วทําดีนะแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ป่องใสต่างหากอีกนะแต่ที่นี่เราพูดได้ ที่นี่พระครูทุกอาทิตย์พระครูก็พูดพระครูแสดงธรรมนั่นแหละแต่ออกไปข้างนอกพระครูแสดงสกลธรรมธรรมะซึ่งเป็นสากลนะหลีกเลี่ยงพูดภาษาศาสนาแต่ที่นี่บางทีเราพูดได้ไม่เป็นไรคนที่มาที่นี่ต้องยอมรับว่าที่นี่เป็นอย่างนี้นะก็หลังจากพระครู มีคำว่าสกลเราทำแล้วคำว่าฟินเนสแล้วพระครูก็ไปดูหลายๆศาสนาเขามีอะไรน่าสนใจมากพึ่งพ่งเมื่อเช้านี้เองเนี่ยพระครูนั่งดูโปรแกรมหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งมีคำเล่าคำหนึ่งอิสลามมีผู้ชายคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาสวยมากไปขอเขาแต่งงานผู้หญิงไม่ยอมแต่ง ผู้ชายโกรธมากก็เอาน้ำกดไปลาดหน้าเขาจำไม่ได้เลยก็ขึ้นศาลกันทีนี้อิสลาม่จับไปขังคุกพอไหมไ ม, ไม่คุณทำเขาอย่างไรคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องตัดสินว่าต้องเอาน้ำกดมาราดผู้ชายด้วยมีทางลอดทางเดียวว่าผู้เสียหายเนี่ยให้อภัย สารก็ถามผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเอาอยัางไงเขาบอกเขาขออโหสิกรรมหน้าเขาเสียแล้วเขาก็รับกรรมแล้วแต่ขอร้องผู้ชายคนนั้นให้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วก็ให้พระเจ้าคุ้มครองเห็นไหมเขาก็มีเมตตาทมแต่ที่เราได้ยินว่าเขาทำอย่างนี้แล้วสังคมพูดไม่มีหรือคนชั่ว มีทุกวันนั่นแหละเห็นไหมถ้าเราเปิดใจกว้างเนี่ยทุกศาสนาเขาก็มีคุณธรรมของเขาแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็ครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งศาสนาอิสลามเขาเรียกชื่ออะไรเพราะคมไม่ต้องเรียกว่าครูบาอาจารย์แล้วกันสอนเผยแพร่ศาสนาอิสลามมีวันหนึ่งเนี่ยท่านเดินทางจะเข้าไปใน มัสยิดเพื่อจะไปละหมาดพอจะก้าวแรกพุบมีคนเขาร้องดังมากก็หันมามองเนี่ยเห็นลูกชายตัวเองถูกผู้ชายคนหนึ่งเอามีดฟันลม้มลงไปอาจารย์ท่านทำยังไงถ้าก็หันหลังกลับเดินเข้าไปละหมาดพอละหมาเดเสร็จออกมาเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยท่านก็ถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าลูกชายท่านน่ถูกฆ่าตายแล้ว ไอคนที่ฆ่าเนี่ยเขาลุมสกรรมแล้วเขาก็ผูกอยู่ตรง น, นั้นน่ะตอนนี้เป็นสิทธิ์ของท่านจะตัดสินว่าจะทำยังไงก็ได้อาจารย์สอนศาสนาอิสลามบอกว่าระหว่างเรื่องลูกกับเรื่องฆ่าเนี่ยมันจบแล้วเป็นกรรมของฆ่าต้องรับรีบปล่อยเขากลับบ้านเร็วๆลูกเมีย เ, เขารออยู่ไม่แกให้กลับบ้าน พอรุ่งเช้าขึ้นมาหมู่บ้านนั้นน่ะหมู่บ้านที่ผู้ชายคนนั้นอยู่มาทั้งหมู่บ้านเลยมาหาอาจารย์คนนี้มาเลียนถามท่านว่าใจท่านเนี่ยฝึกมาอย่างไงถึงทําได้อย่างนี้โปรดเมตตาสอนพวกข้าพระเจ้าหน่อยพูดเรื่องนี้ให้เรารู้ว่าอิสลามเขาก็มีเมตตารมแต่เราฟังข่าวฝ่ายลบอย่างเดียวเนี่ยนะเกลียดชังกันทุกวันนี้เนี่ยนะ พ่อครูว่าไม่ถูกต้องเกลียกกันไปเกลียดกันมาเนี่ยมนุษย์ด้วยกันมันเกลียดกันทําไมศาสนานี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในโลกใบนี้แค่ไม่กี่พันปีนี้เองนะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีศาสนาพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายก็บรรลุทําได้ตอนนี้เผยแพร่ไปเผยแพร่มาทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเราเป็นพุทธผู้เจ้าก็สอนว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพระองค์ดำดิให้สาวกจารึกไปประกาศพรมประจันชี้ทางบนทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดคุณไปทะเลาะ ก, กับเขาทาไมนี่แหละกบอยู่ในกะลาไงกบอยู่ในกะลานะเรามีเครื่องมือแล้วนะเครื่องมือเวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้งบทปล่อยจิตท่อิสระเข้าไปสู่สกลธรรม แต่ศาสนาไม่ใช่ไม่ดีมันเหมือนมีโรงเรียนนั่นแหละพราะครูต้องรักษาโรงเรียนนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนลูกของลูกหลานเราต่อไปแต่พระครูไม่หลงโรงเรียนว่าเป็นของกรูศาสนาก็เหมือนกันเป็นแค่เครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจลูกหลานเราต่อไปตัวศาสนาไม่มีอะไรเสียหายแต่คนในศาสนาทุกวันนี้ไม่สำรวมระวังถูกความคิดแบบแข่งขันเสรีกลืนไปหมดเลยผู้เจ้าแม้กระทั่งสัตว์ยังไม่ให้ค่าเลย อันนี้คุณประกาศสงครามกับศาสนาอื่นพุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่พึงกระทาแล้วก็ถูกสอนเมตาการุณามุทิตาอุเบกขาไงเห็นไหมปุกบางทีก็บน่นพ่อครูทําไมทําใจได้คนนี้ทําผิดกับพ่อครูตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อครูทําไมต้องทําใจพ่อครูไม่ต้องให้อภัยด้วยนะ27ปีพ่อครูไม่เคยมีว่าใครถูกใครผิด ก็เป็นกรรมของเขาเพราะคุณไม่ต้องให้อภไยนั่นแหละถ้าเราดำเนินฝึกเราไปตั้งมั่นฝึกเนี่ยนะมันเป็นทางเดียวที่เราจะปลดปล่อยตัวเองที่ไม่ให้เราทุกข์เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราเปลี่ยนให้คนอื่นคิดเหมือนเราไม่ได้เราเปลี่ยนสังคมไม่ได้ไง แม้กระทั่งตอนนี้คนไทยมันทะเลาะกันคนนี้ก็คนไทยคนนี้คนไทยสีนี้ด่าสีนี้สีนี้ด่าสีนี้สีนีด่าคนไทยสีนีด่าคนไทยบอกให้มึงหยุดเถอะมันก็มนมนมนไม่ฟังเหล่าก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นกรรมเนาะอันนั้นมันไม่ดีแล้วเราดีหรืออย่างใช่ไหมคนดีต้องไม่ว่าต้องอย่าไปว่าเขาไม่ดีสิใช่ไหมล่ะ เองเราเรามีใจอยู่เรามีอารมณ์อยู่มันผิดไงเออมันผิดก็ให้อภัยสิก็มีจะอ้างคำสอนผู้ดีเจ้าตอนนี้อ้างคำสอนพู้เจ้าเพื่อเอาตัวนี้ไปเล่นงานคนอื่นศาสนาแตกแยกกันไปหมดอ้างว่าเป็นคำพูดผู้เจ้าเป็นของจริงของจริงเป็นภาษาเหรอภาษาไม่ใช่ของจริงนะธรรมชาติไม่มีภาษานะ คุณเขียนเป็นภาษาขึ้นมาก็ไม่ของจริงแล้วก็ไม่ใช่จริงแล้วไงแล้วบอกของฉันจริงเธอเทียมไม่มีงานทำเนาะเนี่ยมันถึงยุควิกฤตนะเพราะกูเตือนนะตอนนี้มันขื่นเวนขึ้นกรรมมันแปรปวนไปหมดละบวนไปหมดทั้งโลก เพราะกูต้องมโมทนาสาธุด้วยนะคนที่มาจากทางไกรุงเทพด้วยเนี่ยเวลายี่บสี่ชั่วโมงของเราวันหนึ่งแก้ปัญหาชีวิตเราก็ไม่พอละยังอุตส่าห์วางได้เนี่ยมาช่วยกันจันลงพระาศาสนานะโดยเฉพาะวันสำคัญทางาศาสนาเนี่ยวันมาฆะวันวิสาขะวันพวกนี้เนี่ยทั่วโลกนะผู้นัเยกชนเนี่ยทุกคนมาปฏิบัติ บ, บูชา พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชารวมพลังกันอันนี้ก็เป็นเป็นอุบายวิธีที่ให้เราดึงให้เรามาอยู่กับตัวเองชีวิตเราตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เห็นนายกนายขอเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นงานเห็นการเห็นเงินเห็นทองเห็นปัญหาเราไม่ค่อยเห็นตัวเองเลยนะเนี่ยเรามีโอกาสมาดูตัวเองถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วก็ เนื่องจากพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นเช้ากันนะชั่วโมงตอนเช้าคงไม่ได้ม ป, ปฏิบัติแล้วก็ไปพร้อมกันที่ฐานพระนะเราก็มีโอกาสสร้างกุศลให้ตัวเองนะเป็นวันเป็นเริ่มต้นของวันซึ่งเป็นมงคลเป็นกุศลนะสร้างอริยทรัพย์ให้กับตัวเองนะแล้วก็มาปฏิบัติบูบชาทั้งวัน ตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนประเพณีอะไรที่ ท, ท, ที่มันสวยๆงามๆเราก็ดูแลรักษาไว้มันเป็นอุบายวิธีถ้าคนเข้าถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องทำิ่งนี้ก็ได้แต่เราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยคนที่เ็ายังไม่เข้าไม่ถึงเนาะอันนี้หละการให้ต้องไม่มีเงื่อนไขนะเราต้องทำในสิ่งที่ถ้าเข้าถึงจริงๆไม่มีคาว่าชอบไม่ชอบไม่มีอคติทั้งนั้นแหละทาเพราะทาไม่ทาลายสมมติ จิตเราอยู่เหนือสมมติแล้วแต่เราต้องไม่ทํำลายสมมุตินะก็ให้เด็กรุ่นๆุ่นต่อไปเนี่ยเขาจันหลงต่อไปพราะครูจันหลงาศาสนายีบเจ็ดปีไม่ทําอย่างอื่นเลยทำสามอย่างทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแต่พราะครูไม่ประกาศาศาสนาพราะครูประกาศพรมอาจารย์ชยี้ทางพน้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดถ้าประกาศาศาสนามันจะไปขัดแย้งกับเขาเราขัดแย้งกับาศาสนาเราเองนะ พวกครูเหนื่อยที่จะอธิบายแล้วว่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่มีใช่สักอย่างหนึ่งมีอะไรบ้างใช่ทุกอย่างรู้แล้วเป็นอันทีจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วถูกผิดดีชั่วมันเป็นภาษามนุษย์มันไม่ใช่ธรรมะธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะ แล้วจะมีธรรมะได้ยังไงที่มันไม่มีธรรมะมันมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมีของแท้ของเทียมไยมันจึงไม่ใช่ธรรมะธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนภาษาก็ไม่ใช่ธรรมะตอนนี้หนังสือธรรมะหนังสือธรรมะหนังสือมันไม่ใช่ธรรมะหนังสือมันพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเท่านั้นเองในตัวมันเองไม่ใช่ธรรมะถ้ายังติดบ่วงพวก ภาษาเหล่านี้เนี่ยจิตจะไม่มีวันหลุดพนมันหลงติดโดยไม่รู้ตัวนะทีนี้เรามีเครื่องมือแล้วไงมาเต้นมารามาเคลื่อนไหวมานั่งมายืนมาเดินมานอนเบี่ย ง, ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งก็คือว่าเบี่ยงความยึดมัน่นถือมัน่นที่เราเคยติดแล้วแล้วก็จะติดใหม่อารมณ์อะไรเกิดขึ้นโอ้อารมณ์ดีไว้เรื่องอะไรจะเบี่ยงเห็นไหมเบี่ยงความหลงที่เราจะหลงมันทิ้งเตือนแล้วว่าอย่าไปติดมันแล้วก็ล้างของเก่าออกด้วยนะ แนวที่เราทำํำนี่ซึ่งมันไม่มีแนวไม่มีตัวสําเร็จรูปว่าต้องทําเหมือนกันอันนี้กรรมเราเหลือแค่นี้บารมีเราแค่นี้เราก็จเจริญไปเรื่อยๆแล้วก็ลดทางนี้ด้วยมันเร็วมากไอ้แนวนี้ลดทางนี้ด้วยลดนีนะ้เมื่อวันใดทางหนึ่งฟังกุศลมันมากกว่ามันก็ตัดคําว่าตัดกรรมนี่ไม่ได้แปลว่ากรรมมันหมดนะเจ้าชายศรีธัฏฐะเองยังโดนเทวทัตเล่นงานแต่กระทบไม่กระเทือน นอกจากวันใดที่เราละสังขารแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเวียนไห้ตายเกิดในสามโลกกระฐานนี้แล้วนั่นคือจบแต่ไม่หายไปไหนน ะ, นะเพียงแค่หยุดเกมในวัฏตตสงสาร น, นี้เท่านั้นเองแต่จิตดวงนั้นยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่แต่จิตดวงนั้นตัวรู้รู้ยังอยู่แต่ปาษาจักตตา ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยลอยไม่มีอะไรดับสูนไปเฉยๆนะก็พวกเราฟังหูไวห้หูอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าพึ่งปฏิเสธทาตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองเรามีห้องแลบอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเรามีกาย เวทนาจิตธรรมมีสตทิทั้งสี่ฐานทั้งสี่เนี่ยเต็มเปี่ยมนี่คือความยิ่งใหญ่พุทธเจ้าที่พ่อกูบอกพระกูถวายชีวิตพระองค์ไปเห็นได้ยังไงแล้วรู้วิธีแก้ด้วยวิธีแก้ก็ง่ายง่ายเครื่องมือตามธรรมชาติมีอยู่แล้วไงเรามีกายเรามีเวทนามีจิตมีธรรม มมีอะไรง่ายขนาดนี้มีอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เหมือนเราฟังมาตลอดพระองค์การสร้างกรรมมีสามอย่างมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเราเข้าใจว่าง่ายง่ายรู้อยู่แล้วง่ายจริงไหมคนแรกที่ไปเจอตรงนี้เนี่ยคิดว่าง่ายไหมเอาทุกวันนี้รู้ไงคนเป็นนักเตอร์มาที่นี่ปฏิบัติปุ๊บ วิ่งเข้าไปในป่าสูบุรีสูบุรีเป็นหมอด้วยพราครูถามว่าคุณหมอสอนคนไข้สูบบุหรีไหมไม่ครับคุณหมอสูบทําไมตอนนี้เราก็รู้ว่าสร้างกรรมมีโมนโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก็สร้างกันทุกวันไงเอารู้แล้วไงรู้จริงไหมเราเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แ จ, จิตไม่รู้แล้วพระองค์ ที่ไปเห็นมาแล้วเป่งวาจาออกมาอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าง่ายๆเหรอสร้างกรรมมีแค่สามวิธีนะแล้ววิธีทําให้เกิดปัญญามีสูตรธมยญปัญญาจิตนะเมญะภาวนามยะปัญญาเราฟังแล้วง่ายๆแต่คนไปเห็นคนแรกนี่ง่ายไหมแล้วรู้แล้วทำไมยังทําไม่ได้อยู่เห็นไหมพ่ะครูไปอบรมเด็กมัธยมพ่ะครูถามว่า ลูกเคยโกรธไหมเคยครับเคยค่ะโกรธมันสนุกไหมไม่ค่ะมึนแล้วมันดีไ้ยลูกบอกไม่ดีเลยแล้วลูกโกรธทาไมเดี๋ยวว่าแต่เด็กมันโกรธนะผู้ใหญ่ยิ่งโกรธดีด้วยแล้ว ร, รู้จริงไหมเหมือนเรารู้นะถ้ารู้จริงๆอย่าทำสินี่แหละความรู้ยุคนี้เป็นแบบนี้ ไม่ใช่ตั้งใจพูดพเพราะคูไม่โง่ที่จะไปตกนรกไปว่าคนอื่นเขาบางทีพวกครูขอยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างท่านบิลเกต ท, ทุกคนรู้เลยใช่ไหมคนรวยที่สุดในโลกเห็นม ย, ยกตัวอย่างองคุรีมานรู้เลยไหมคนฆ่าคนตัดนิ้วมาแ ข, นขวนคอพ่อกูยกตัวอย่างดอกเตอร์ไม่ไม่ได้หมายถึงคนดอกเตอร์ดีไม่ดีนะความเป็นดอกเตอร์ความรู้เขารู้อย่างนั้นไง จบปริยาเอกทางด้านภาษามาเนี่ยคุยกันไม่รู้ภาษาไงรู้จริงหรือเปล่าคุณรู้ภาษาสูงสุดแล้วคุณทำไมคุยไม่รู้ภาษานี่แหละทั้งโลกมาถึงทะเลาะ ก, กันไงเอาไปพิจารณาอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งทิ้งนะนะแล้วดีที่สุดตั้งมั่นปฏิบัติช่วงที่เราเวียงมีเวียปุ๊บมันปิ๊งขึ้นมาทีหนึ่งนี่มหาสาลเลยนะ ดีกว่าไปเรียนยี่สสปีนะปัญญาเรามีอยู่แล้วแค่กระทะเปลือกมันออกเฉยเฉยนะ่มันโผล่ขึ้นมาแต่ต้องทำแบบตั้งมั่นมีกําลังเต็มเปี่ยมไม่งั้นเราถูกไอ้ม่านมันบังตาเนี่ยกิเลสตัณหาอุ ป, ปทานเนี่ยบวกกรกรรมด้วยเนี่ยมันบล็อกไว้ไม่รู้กี่ชัน้นถ้าเราไม่มีกําลังที่แรงกว่าเนี่ยเราจะดุดออกมาจากนั้นไม่ได้นะวิ่งวนเวียนวางว่าง อันนี้ฟังผู้ก็เข้าใจอีกแต่ไม่เข้าจิตมันยังวางไม่ลงเลยพ่อครูวางยากยากพ่อครูวางไม่ยากหรอกแต่เราอะวางยากเห็นไหมมันยากตรงไหนตำรวจก็ไม่จับไม่ต้องขอวีซ่าตั้งหากมันยากเพรามันง่ายไงนี่แหละเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาทิ้งความรู้เราวางความรู้เราชัวา่วคราวอุย้ยเรียนมาเกือบตายเดี๋ยวมันจะลืมหรือเปล่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะหลายปีก่อนมาปฏิบัติกับพ่อครูเนี่ย หลังจากปฏิบัติแล้วก็บอกพ่อคูบอกให้ผมเวี่ยงทิ้งทุกวันผมจะลืมแม่ผมหรือเปล่า <association> เวียงไม่ได้แปลว่าลืมเวียงความยึดมั่นถือมั่นนะที่เราไปหลงติดเห็นเขากลัวเวี่ยงแม่เขาทิ้งผมจะจำแม่ผมได้หรือเปล่าเนี่ยยิ่งจำแม่นด้วยความกตัญญูยิ่งเกิดขึ้นอีกนะแต่เราไม่ได้ไปหลง เวียงความหลงทิ้งความโลภทิ้งความโกรธทิ้งเนี่ยคำว่าเวียงทิ้งจริงๆแล้วขอพูดใหม่นะแก้แก้แก้ภาษาใหม่ไม่ใช่เวียงความโลภความโกรธความหลงทิ้งด้วยเวียงความยึดมั่นถือมั่นกับความโลภความโกรธความหลงทิ้งไอตัวยึดมั่นถือมั่นไอตัวนั้นคืออัตตา เราฆ่ามันทิ้งซะมันจะเข้าสู่สุญญาตาคือว่างจักอะตานั่นแหละคือจบกิจนะไม่ใช่โรคกรดหลงหมดแล้วก็จบกิดนะไม่ทาสานไม่มีความโรคกรดหลงมากเท่าไหร่นะทุกวันนี้เราถูกสอนให้ถือสินห้าใช่ไหมถือปุ๊บพออยากมาวางก่อนกูไปเอากินก่อนเอามากงหนึ่งแก้วหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาถือใหม่ถือถื อ, ถอดุดดุแบบนั้ น, น ทาซานไม่ต้องถือศีลห้าทาสานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเห็นไหมทาซานกินเหล้าไหมเอาเหล้ายี่ห้อแพงที่สุดให้โลกมันกินเลยโอ้อะไรมันรู้เหม็อนอัลบูรีนี่หอมหวานโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เหม็นมันไม่ต้องโกหกด้วยมันพูดภาษาก็ไม่เป็นเไยที่เราโกหกเพราะเรา ม, มีความอยากได้ของเขาไงทาสานมันไม่มีความอยากมันมีศีลเต็มเปี่ยมศีลคือความปกติของจิตแต่ตอนนี้จิตเราไม่ปกติแล้ว เราไปเรียนรู้ความรู้ผิดที่มันแฝงด้วยโลภกฎหลงเข้ามาไงตอนนี้มือถือศากปากถือศีลถือถือดุดดแต่เราเรายังเข้าถึงศีลข้างในไม่ได้เราก็ถือก่อนเหมือนกฎหมายบ้านเมืองเนี่เรารู้อยู่แล้วผิดกฎหมายเขาก็จับเราปรับเราก็เสียเงินเนะก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอย่าไปผิดนะแต่กฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรม เห็นไหมคนไหนขึ้นมาก็เปลี่ยนกฎหมายอยู่แล้เปลี่ยนร้อยร้อยฉบับเปลี่ยนให้ข้อข้างตัวเองถ้าคนมีคุณธรรมแล้วไม่ต้องมีกฎหมายนะไม่ว่าต่อหน้ารับหลังเราไม่ทําผิดอยู่แล้วเราไม่ทําชั่วยอยู่แล้วเหมือนทาสานเห็นไหมเห็นไหมทาสานมันไม่มีอวิชานะมันไม่มีความรู้ผิดแต่มันไม่รู้วิชาพ้นทุกข์ด้วยมันมีศีลอยู่แล้ว พระครูทำไมเห็นเรื่องนี้ไง40ปีวิ่งไปตามโลกในสินห้าบอกไม่ให้ทำไรทำหมดสิ่งเละเทะเลยอินเล่าทุกเยี่ยห้อโกหกเราคิดว่าเป็นเทคนิคของนักธุรกิจนะพอมันเกิดอาการระเบิดเปลี่ยนแปลงปุ๊บมาอยู่ที่27ปีไม่ต้องถือสินอีกแปลกนะชีวิตนี้พระครูไม่ต้องถือสินเลยแต่27ปีนี้ไม่ทำชั่วแน่นอนเพราะมันเป็นศีลแล้วไง มันทำลายเอกกล่องที่บันทึกทวมอยากไว้แล้วเนี่ยเมื่อมันไม่อยากแล้วเนี่ยมันจะไปโกหกใครมันจะไปเบียดเบียนม่ต้องไปผิดศีเลเลยที่ไม่ทำชั่วทุกวันนี้ไม่ใช่กลัวผิดศีล น, นะเพราะมันไม่มีเหตุต้องทำไงที่เราผิดศีลเพราะเรามีความอยากตัณหาคือที่มาของทุกนะกิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปท า, านอุปท า, านทาให้เกิดทุกทีนี้กิเลสมันมาจากไหน เกิดมาพวกก็มีเลยเหรอไม่ใช่ไม่มีกิเลสคือสิ่งปรุงแต่งคือเราปรุงแต่งเรากินหวานบ่อยๆแล้วก็ติดหวานเราก็อยากกินหวานอยากนี่เป็นตัณหาแล้วเมื่อกินปุ๊บอุปทานเกิดรู้สึกพอใจมีความสุขเห็นไหมพอสุขปุ๊บเขาแย่งไปปุ๊บ ก, ก็เลยทุกข์เลยไงทีนี้ผู้เจ้าบอกดับทุกข์ ดับที่เหตุแห่งทุกพระองค์ไม่ได้บอกให้ดับที่กิเลสนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคตัวสมุทัยนี่คือตัวตันหาดับตันหาทีนี้วิธีดับตันหาต้องรู้เท่าทันกิเลสเพราะกิเลสคือที่มาของตันหากิเลสดับไม่ได้เรากินข้าวเป็นกิเลสของคนไทยเราฝรั่งกินขนมปังเป็นกิเลสของเขาถ้ากินตามกิเลสไม่เนื่องด้วยตันหาไม่มีเรื่อง ถ้ากินตันหาปุ๊บอร่อยบันทึกไว้ปุ๊บบันทึกละบันทึกสัญญาแล้วกลายเป็นวิบากกรรมไม่อร่อยก็บันทึกอีกแต่ถ้ากินตามกิเลสกินเพราะกินไม่เป็นไรเราต้องรู้ก่อนนะผูเ้เจ้าดับทุกดับที่เหตุนั้นทุกคือตัวตันหาแต่ที่มาของตันหาคือกิเลสเราก็ต้องมีสติมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสกิเลสพัฒนาสู่ตันหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดแต่ถ้าดับได้แค่นั้นนะ มันดับได้ชั่วขา่าวต้องดับที่ต้นเหตุของมันคือตัวอัตตา่ะเข้าสู่สุญญาตาว่างจากอัตตานั่นแหละคือปลอดภัยโอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวานพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรคผลนิพพานโดยไวยเทอ